بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى م د ي ن ثم ما بعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونيروا ج م ا ع ت باه آيات السيف صورة التوبة ซึ่งเป็นายาที่เกี่ยวกับกรารอุพยบของท่านนบีสุลลอัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมและท่านอูบักครสองท่านพร้อมกันอันเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สุดในชีวประวัติของท่านนบีสุลลอัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมและจึงไม่แปลกว่าสฮารบะได้ลงมติเอกฉันที่จะ จะตั้งประฏิทินอิสลามให้ฮิจรัชสกฤตเป็นบรรทัฐานนับปีทุกวันนี้เราก็ได้นับประวัติศาสตร์ของเราด้วยที่เราได้การในปฏิทินอิสลามเนี่ยโดยให้กําหนดการของฮิจรัชการอพยพเนี่ยเป็นจุดเริ่มตน้นฉนั้นอะไรที่เกิดขึ้นก่อนฮิจรัชเนี่ย ก็จะได้กว่าก่อนคริสกรอนฮิจโรสกราชก็เหมือนคริ ส, สักราชนี่อะไรเกิดก่อนก่อนคริ ส, สกราชนี้ก็จะเป็นก่อนคริสศัการาค ง, งจะไม่ไม่ไม่พลาดนะครับที่จะต้องเชิญชวนในพวกเราได้ได้ล้ำลึกจุดเริ่มจุดเริ่มต้นที่เรากําลังนั่ง เรียนรู้คุรานกันทุกวันนี้เนี่ยมันก็เพราะมีบุรุษท่านหนึ่งที่ต่อสู้และเสียสละเพื่อให้พระดำรัสของเลาสุภานุวตาลสูงส่งยิง่งและคงอยู่ไปรุ่นต่อรุ่นจนมาถึงยุคของเราและถือว่าเป็นการบังเกิด อีกครั้งนึ่งของอิสลามอิสลามได้เกิดที่มักกะเมื่อท่านนบีได้รับวะฮิยูได้รับอายะแรกนี่เอกเราะห์และเกิดอีกครั้งหนึ่งในการอพปยบของท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮุอะสสลัมและจากจุดนี้มีอะไรมากมายที่พวกเราสามารถนํามาเป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียนสําคัญ ในชีวิตของเราโ ด, โดยเฉพาะในในช่วงนี้เนี่ยที่กําลังประสบกับสิ่งท้าทายสิ่งท้าทายมากมายด้านความคิดดัานความเชื่อพอนึกถึงการเสียสละของท่านในมิสซอลละฮ์อัลลอฮฺเราเราก็จะต้องเอาชีวิตของเรานี่มาเปรียบเทียบว่าเราได้เสียสละ เหมือนท่านนบีสุลต่าละฮ์อะลียวะสัลลัมบ้างไหมและการเรียนรู้อัลกุรอานของเราก็จะต้องไม่ไม่ปราศจากข้อคิดข้อคิดที่ทะลุไปถึงเป้าหมายชีวิตที่จะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่อัลลอฮฺซุลต์ฮะนาวะตะละต้องการจากมนุษย์ त, เราได้เห็นว่าท่านาวิสลลาฮะลวุัลลัมได้ได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของเราทุกประการแม้กระทั่งในยามที่ปัจจัยต่างๆกฎเกณฑ์กฎธรรมาชาติทั้งหลายเนี่ยมันชี้ขาดว่าชัายชนะไม่ได้อยู่ในทางนี้การประเมินของผู้มากประสบการณ์ ก็ฟันธงว่าทางนี้ไม่ชีทางไม่ชีทางความสำเร็จแต่อย่างใดแต่ท่านไบีเชื่อในเดชานุภาพของพระสุภาโนนะแหละที่เหนือกว่ากฎธรรมชาติเหนือกว่าเหนือกว่าความรู้ของคนที่มากประสบการณ์และเหนือกว่าปัจจัยทุกปัจจัยที่เรามักจะพึ่งพาแล้วก็ให้ความสำคัญในใ เป็นสงครามตะบุกนบีสามารถเกณฑ์ทาหารได้ประมาณสี่0มื0 0สี่มืนายนำไปยกทัพนี้ไปไปขับไล่กองทัพรมันแต่เหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดว่าในช่วงที่ท่านนาบีได้ประสบความสาเร็จในการพิชิตเมืองมักกะชนะต่ออิฟซึ่งถือว่าเป็นสองเมืองใหญ่ ของข้าวสมุทรอารับแล้วก็คนในทั่วทั่วอารับนี้ก็ได้มามาสตียบันกับท่านนบีสุลลัลลอฮะหลยอีวะัลลัมโดยะพีพีีเกาเนี่ยที่เกิดสงครามตะบูกเนี่ยคนทั่วข้าวสมุทรอาหรับนี้มามายอมรับในอำนาจของท่านนบีสุลลัลลอฮฺวะหลวะสัลลัมแต่พอท่านนบีประกาศให ผู้คนเนี่ยได้มาช่วยช่วยทำสงครามช่วยสูร้รบปกป้องแผ่นดินปกป้องศาสนานี่เปรากฏว่ามันยังมีบางกลุ่มจำนวนไม่ไม่เยอะไม่ใช่ส่วนไม่ใช่ส่วนมากแต่ก็จำนวนเยอะพอสมควรทั้งในมนดีนะและก็นอกมดีนะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่อัลลอฮฺซุบฮะวะตาาต้องจารึกไว้เป็นบทเรียนสำคัญ บทเรียนสำคัญสุราตบ้านนี่ส่วนมากก็จะพูดถึงโดยเฉพาะนี่อายะที่40เป็นต้นตนไปเนี่ยจะเริ่มพูดถึงบทเรียนของสังคมมุสลิมที่ไม่ให้ความร่วมมือในเรื่องใหญ่ของสังคมสันดานของคนที่อยู่ร่วมกับคนอื่นแต่มีสโลแกน ตัวใครตัวมันยามขับขันยามมุกฤรก็จะไม่มีความสํานึกในความเป็นจะมาให้ความเป็นความเป็นสังคมเดียวกันที่ต้องให้ความร่วมมือกันพอท่านนาบีประกาศให้ไปสู้รปบปรากฏว่ามีคนมีคนไม่มีคนเฉยเลยเงียบเลยเก็บตัวเลยมีคนบังอาจมาหาท่านนาบีแล้วบอกเลยบอกว่าไม่ไปไม่ไหว เหตุผลต่างๆบุรอ่านก็ะจะูเคลื่อนในสซนตวันตกก็จะพูดเรื่อยๆไ ม, ไ, มไม่ไม่ไหวขออภัยด้วยอันนี้กล้าเหลือเกินนี่มีคนที่เก็บตัวเลยนะถ้ามีคนที่เขาไม่สะดวกจริงๆหมายถึงว่าตอนนั้นนะมีธุระมีภารกิจอะไรมากมายแล้วก็ไม่ไม่ปไปรายงานตัวทำให้สอบะส่วนมากเนี่ยสงสัยว่าเขาเขา เป็นพวกไหนเป็นพวกมุนาฟิกหรอตอนนั้นน่ะคนที่ไม่ไปคนที่แสดงจุดเดีย ว, ว่าไม่ไปไม่ช่วยนะเขาจะถูกแบ่งเลยว่าพวกนี้อ إ ي م านเขาไม่ใช่ไม่ใช่เป็นที่พึงพอใจบางคนก็ถูกแบ่งชัดว่าเป็นพวกมุนาฟิกอันนี้คนที่เขามีทุระมีภารกิจจริงๆนะแล้วก็ไม่ได้ไปรายงานตัวแต่เพราะน้บีเดินทางไป แตดี๋ยวป้าดาวนี่เขาก็เขาก็เคียงานแล้วก็ไปไปสมทบกับท่านนะพีอแสดงว่าปรากฏว่าเขาเขาไม่ใช่ขุมน่ะพี่ก็เป็นคนที่เขามีอุปสรรคริงถิคนเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮ์และนบีเนีอกว่าลลอฮ์ให้ภัยอยู่แล้วแน่นอนแต่คนที่อ้างอุปสรรคอ้างเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นหรือมันไม่เป็นจริงอันนี้เนี่ยที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ดำนี้แต่ในอายะที่ซีซี นอันนี้ที่เราจะอานเนี่ยเป็นการตำหนิภาพรวมภาพรวมของคนที่ไม่ได้ออกไปสนับสนุนไปสมทบสูรบกับท่านนบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮุสัลลัฮ์อิลลัตันซูรุห์ฟะกัดนัสซารุห์อลอฮนี่ตองรักของไอ้เนี่ยสมุขณ์มาอิลลัตันซูรุห์ถ้าหากว่าพวกเจ้าไม่ช่วยเขาไม่ช่วยท่านนบเนี ไม่ช่วยท่านน บ, บีได้สงคารามนี้ فقد نصره الله ก็แท้จริงนั้นอัลลอฮ์ได้ทรงช่วยช่วยเขามาแล้วอันนี้คืออันนี้คือกฎอะไรที่กว่าท่าไม่ช่วยครับอัลลอฮ์ก็เคยช่วยมาแล้วซึ่งในเหตุการณ์ที่มันคับขันกว่านี้ตอนนี้น บ, บียังมีคนมาสมทบกองทัพอยู่เกับสี่หมื่นสมมุติว่าขาดไปหมื่นนึง แต่ในกรณีที่โลกนี้ทั้งหมดเนี่ยไม่ไ ม, ไม่มีใครขับสนับสนุนท่านนับีเลยนะถูกขับไล่จากมักกะดับบีต้องต้องออกจากกมะักกะนี่เพียงสองคนมะปัจจัยทุกปัจจัยกฎเกณฑ์ทุกกฎเกณฑ์ประสบการณ์ทุกประสบการณ์จะสู้ได้ไงกุเรชเนี่ยทั้งเงินทั้งกำลังทรัพย์กําลังทหาร อำนาจบารมีล้นฟ้าในข้าวสมุทรอาหรับและทุกกลุ่มทุกเผ่าในในอาหรับเนี่ยล้วนสวามิภักข์ไฮกูริชประกาศรางวัลอูดหนึ่งร้อยตัวใครจับมุฮัมมัดมาได้หรืออบูบักรก็อีกหนึ่งร้อยตัวจะเป็นจะตายนี่ก็ขอจับมาแล้วกันหนึ่งร้อยตัวซึ่งศัพย์สินมหาศาลสาห ร, รับสำหรับพวกคนที่หากินกับเรื่องนี้ คนที thinking, bon ่ต้องการต้องการทรัพย์สินต้องการเงินแบบนี้ถ้าไม่ช่วยแล้วเ้าอัลลอฮ์ก็เคยช่วยเหลือเขามาแล้วตอนไหนยะอิศอักรเจฮุลลัฎีนักฟารูอิศแคเนตีอักรเจฮุลลัฎีนักฟารูบันดาผู้ปฏิสิทธาได้ขับไล่เขาออกไปที่จริงแล้วท่านนบีสุลละัลลอฮฺอลลอฮฺอัลัลลฺมฺอกเอง แต่น บ, บีออกเองเนื่องจากว่าชาวกุเรชเนี่ยคือตะกอนนู้นอ่ะอารับเนี่ยเขาจะมีศักดิ์ศรีสําคัญเนี่ยที่ที่จะไ ม, ไม่ไม่ไม่อยากให้ใครเนี่ยซุบซิบนินทาเขาในในเรื่องที่ไม่ดีโดยเฉพาะในเรื่องที่ออธรรมคนอื่นหรือหรือไม่ให้ความเป็นธรรมกับคนอื่นเนี่ย นบีอยู่ที่มักานีบบ้านของตัวเองแท้ๆเลยถ้ากุรชเนี่ยเขารวมตัวกันแล้วกบอกกูออกไม่นบีออกไม่ไม่อยู่แล้วอาราบนี่ด่าเละเลยถึงแม้ว่าอาราบเขาก็กลัวกูริเราก็รู้ไงว่าเรานี่จะรักใครหรือจะหรือจะชอบใครนี่แต่พอถึงเวลาที่เขาทำอะไรที่มันด่าเละน เขาก็กลัวโดนซุบซิบใส่ร้ายดโดนก็เลยไม่กล้าที่จะขับไล่ท่านนาบีแบบชัดๆทำยังไงอ่ะกดดันกดดันนบีไปละมาที่ไหนอ่ะมีคนมามาตามพวกพวกเนี่ยพวกสมุนพวกพวกอะไรกันอ่ะพวกไอเนี่ยพวกเรร่อนพวกอ่รับใช้ไปรังแกท่านนาบี ไปด่าท่านนาบีบ้างไปขัดขวางท่านนาบีบ้างมีขนาดพริยาพรยาอาบูแล้วครับลุงของท่านนาบีแท้ทเลยมีอะไรนักหนาที่ไปพิปเกียดท่านนาบีถึงขั้นที่ต้องลงทุนสั่งลูกน้องเนี่ยไปตัดไปเกี่ยวกิ่งต้นไม้กิ่งต้นไม้ที่มีหนามปกติแล้วเนี่ยกิ่งพวกนี้เนี่ย เพราะที่นู่นน่ะที่ข้ามสมรเป็นเลซายใช่มมันก็ไม่มีต้นไม้ที่เป็นลำต้นใหญ่ๆส่วนมากนั้นก็เป็นเป็นต้นเล็กๆ ท, ที่มีกิ่งเล็กๆอันนี้กิ่งเนี้ยเขาใช้เป็นฟืนฟืนหุงต้มนี่เนี่ยกิ่งพวกนี้ซึ่งกิ่งนี้ส่วนมากนั้นก็จะมีหนามก็สั่งให้ลูกน้องนี่เอาเอามาเอามาเป็นฟืนแล้วก็เอามาเอามาเป็นเครื่องมือใช้รังแกท่านนบี อีกพวกนี้เนี่ยเป็นน้ำอรู้ว่าท่านนาบีจะเดินทางไหนเนี่ยก็เอาไปโยนไปไปตั้งในทางท่านนาบีจึงได้ฉายะฮัมม่าล ะ, ละตะลัตบเข้านรกนี่แล้วก็จะมีฉายาว่าจะแบกฮัตับฮัตับเบ้อฟื้นไงนี่ฉายาทิมนี่ขนาดภรรยาลุงท่านนาบีนะแล้วก็ตะลากัลกลักสายตระกูลน่ะนะก็จะเป็น เครือญาตินบีเนี่ยทางหนึ่งทางใดทางปุาาย่าต่ใหญ่นี่ก็ก็ปุาาย่าแต่ใหญเดียวกันนี่แหละมูจามีลภรยาของอูแล้วคนอื่นล่ะคนอือน่ น, ออนที่ไม่เกรงใจละไม่ได้เป็นญาติหมนะ่แล้วไม่เมียไม่เกไม่ต้องไม่ต้องเคงคอกรงกลัวอะไรแล้วก็ยิ่งแล้วก็อีกสิโคดันดั้นนบีในทุกรูปแบบเลยแม้กระทั่งอบูบัคคร เนื่จากนั้นที่เขาเป็นเป็นผู้ร่วมอพยพกับท่านนบีนะแต่เราเรื่องนิดนึงเพราท่านก่อนฮิจรัฐไปมดินานี่ยนบีอะลียัดให้ซอฮาบะฮิจรัฐไปฮาบาชะนบีอะอพยพไปฮาบาชะไอธที่มีออบูบักรก็ทนไม่ไหวกันแล้วก็เลยแบกสัมภาระแล้วก็ไปไป ไ้เจอชาวผู้ใหญ่คนหนึ่งที่คนเรียกชื่ออิบนุอิบนุลดีินนี่ยอยูนี่เป็นผู้ใหญ่คนมีแบบนี้มีชื่อเสียงที่มากอะเอาว่ากันไปไหนผมทนไม่ไหวแล้วก็พรเจ้าถูกกดดันถูกกรังแกและนบีมุฮัมมัดอนุญาตให้เราได้อพยพหาทางหาทางหนีสถานการณ์แบบเนี้ไปเอาไม่ได้คนอย่างท่านนี่นะ ช่วยเหลือคนอยากจนช่วยเหลือเด็กกำพร้าแม่ไม่คนคนไม่มีท่านก็ช่วยคนอ่อนแอท่านก็สนับสนุนคนอย่างท่านเนี่ยไม่ควรที่จะออกจากเมืองนี่มันเป็นเรื่องอปภัยยศเรานี่เสียหายท่านกับเบกับมัง ก, กาแล้วก็ข้าพเจ้าจะคุ้มครองท่านหาในตัวเมืองอุบัตแล้วก็ไปหาแล้วก็นุ่นพวกกูรไรชเนี่ยก็จะมี คณะกรรมการบริหารนะนะเขาจะอยู่เขาจะอยู่หน้ากาบ้านเนี่ยเต็นท์หนึ่งกนนดดัวเนี่ยนัดดัดารุนนัดดัวอ่าที่ไปที่นัดดัวไปว่าประชุมห้องดารไปว่าห้องหรือบ้านบ้านประชุมนัดดัวไปว่าประชุมทวงมือเอาไว้ระนี่จะคุณจะไปคนนี้เนี่ยจะกดดันให้เขาออกจากมักกะเดย์ไงเสียหายหมด ฉันนะขอประกาศว่าเออว่าอยู่ภายใต้การคุ้มครองหไห้ใครมายุ่งกับเขาเนาะช่อก็บอกว่าไม่เป็ไร้อยู่ได้แต่ขอแล้วกันนะว่าไอศาสนาของมุฮัมมัดของเขาเนี่ยที่ชอบเหลือเกินนะออกมาอ่านอุรานมาละหมาดแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยเขาฟังแล้วก็แล้วหลุงเราก็ฟังแล้วหลุงฮะเขาพูดอย่างงั้นอย่าให้เขาอย่าให้เขาออกมามาม า, มาเปิดเผย แต่ไ ห, ตไหนแต่ไหนล้วนะประชาธิปไตยอุปากเข้าไปถ้าเขาไม่ออกมามามาเผยศาสริของเขาเนี่ยอยู่ได้ไม่เผยนะตามข้อตกลงนี้อูบาก็กกยอมรับเอบ็มโนดีรินนะที่เป็นผู้นี้ก็ยอมรับอังกอาก็อยู่ในบ้านนะั่นนะบ้านเขาบาก็เนคนรวยบ้านก็ใหญ่ก็เลยไปจัดห้อง คือบริเวณบ้านเนี่ยแต่ก่อนเรื่ก็ตรงก็ตรงมีเหมือนเป็นเป็นเป็นสนามสนามหน้าบ้านนะสนามเล็กๆเนี่ยก็ไปไปจัดตั้งห้องห้องละหมาดซึ่งใครที่อยู่บ้านข้างๆเนี่ยก็จะเห็นแต่นี้มันอยู่อยู่ในบริเวณบ้านเขาเองอยู่ในบ้านเขาไม่ได้ออกไปไหนแล้วละหมาดละหมาดโดวยเฉพาะโอวะละหมาดแล้วก็จะร้องไห้ตลอด พระลามาสินคนที่อยู่ในบ้านบ้านข้างๆนี่เขาออกมาดูมาฟังชาวกรีกร็เลยเรียกเอมบุนดอรินน่ที่คุ้มครองเอวักบอกว่ามันนี่มเราตกลงกันแล้วว่าไม่ไม่ให้ผแปรเขาไม่ได้ไปไูแปรเนี่ยเาอยู่ที่บ้านเขาไม่ได้ไปไหนเอมุนดอริน่ะก็บอกว่าเรียกเอวักมาบอกว่านี่เรามีข้อตกลงว่าท่านเขาก็าไม่เถียงเถียงกับพวกนี้เนี่ยเขาไม่นั่นอยู่แล้วเขาไม่เขาบอกว่า ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเขาเนี่ยคืนการคุ้มครองที่ฉันคุ้มครองนี่เนี่ยคืนฉันนะเพราะฉันเสียหายไม่อยากให้ใครบอกว่า้ฉันคุ้มครองแล้วแล้วก็โดนรังแกคืนฉันคืนฉันมาคืนฉันเพียงพอแล้วในการคุ้มครองของ อ, อแต่หลังจากนั้นนะโอวพรกระบีก็เหมือนเดิม จะอ่านกูรอ่านที่ไหนจะไปละหมาดที่ไหนเนี่ยก็จะก็จะต้องมีคนมารังแก่แต่เนื่องจากว่าอาบุบาตเขามีพรรคพวกมีไม่มีใครกล้าที่จะแบบว่าที่จะรังแก่เขาอย่างรุนแรงหรือจะถึงขั้นที่จะเข่นขาไม่เหมือนคนอื่นที่แบบว่ามุสลิมที่รับอิสลามแล้วก็ไม่มีพรรคพวกไม่มีเผ่าที่จะคุ้มครองเขานี่นะอะถึงขั้นที่ ถูกสังหารก็มีก็เหมือนซูมาียะมารดาของอัล ม, มาดินยาเซรแล้วก็ยาเซอร์บิดาของอัล ม, มาดินี่ก็ถูกก็ถูกฆ่าชฉยเลยไม่มีเพราะเขาเขาเป็นเผ่าอาหรับต่างถิ่นในกูเรชนี่ไม่มีใครที่จะคุ้มครองเขาบิลาลีมในอบดุลบาถูกกรมาอย่างทารุณกรรมเพราะเป็นไม่ได้เป็นอาหรับคนอาหรับเลยเป็นคนต่างถิ่นไม่มีพรรคพวก จนถึงวันที่ท่านนบีลลลัยสัลลัมอนุญาตให้ซาบานีอยไปมาดีนะคนนี้ว่าภาปชาญาก็ไปมาดีนะคนหลายคนนี่ที่ที่มักกะนี่ที่รับอิสลามเริ่มอบูบักรกอีคนหนึ่งที่ตัดสินใจว่าจะอพยไปมาดีนะเอาข่เดียวก่อนรอก่อนเอาพอก็ต้องเชื่อฟังท่านนบีรอก่อนรอไม่รู้รออะไรนบีก็ไม่ได้บอก นาย บ, บอกว่าต้องฉันต้องรับอนุญาตจาก Allah แต่อวอรก็เตรียมเตรียมเตรียมสัมปารดเตรียมอูดให้ท่านนบีทุกยอย่างพอถึงวันที่จะเริ่มอพยพเนี่ยท่านนบีก็เลยบอกไม่ได้บอกล่วงหน้าเลยนะคืนนั้นน่ะก็มาเลยมาที่บ้านเก็บอกว่าอัลลอฮฺเดี๋ยวนี้ให้ออกละออกไปตรงกลางคืนท่านอัสมา ลูกสาวของเขาบอกคนโตคนโตเนี่ยแล้วก็ไอชาตัวนั้นก็ยังเด็กอยู่ก็ช่วยท่านนบีสุลต่านอะไรอยู่สั่งแล้วะบอกเตรียมอาหารเงินเดียสบานี่เตรียมเตรียมเตรียมอาหารสองสองสองคนอะไรอ่ะสองจำนวนน่ะนะแล้วก็เอาผ้ามัดผ้าที่เขามัดเอวของเขาเนี่ยมาฉีกจะได้ผูกผูกอาหารนี้ได้ และท่านนาบีได้จ้างจ้างคนที่จะนำทางไกด์นะที่มัชยิมุสลิมที่ไว้ใจได้จะได้นำทางแล้วก็สั่งให้คนที่ลูกน้องอวบกรลที่เลี้ยงแพะเนี่ยให้ทำหน้าที่เดินคือนำฝูงแพะนี้มาเดินตามตามท่านนาบีแล้วก็อวบจะได้กลุ่ รอยเท้าไม่ให้ใครสามารถติดตามได้ผู้ที่นําทางนี่ก็พาท่านนาบีและอุบักเนี่ยไปทางใต้ของมะ ก, กาถ้าหากว่าชาวมะ ก, กาเนี่รู้เนี่ยพวกกูไรู้รู้เนี่ยจะได้สงสัยว่าไอ้ท่านนาบีจะไปยิมนลหรือเปล่าใต้นี่ก็ไปยิมนมา ด, ดีนเนี่นี่ไปเหนือนะ่ะเป้าหมายของท่านนาบีจุดหมายนี่คือมา ด, ดีนเนีมา ด, ดีนเนีอยู่เหนือแต่นี่นบีเดินทางไปใต้เพื่อสร้างความสับสน ทางใต้นี่ก็จะมีถ้าอยู่แห่งหนึ่งชื่อถ้าเซาดนี่คือภูเขาเซาด์นี่นะภูเขาเซาดนี่ถ้าเซาด์อันนี้ชาวบ้านเขาทาสีกันเองนะไม่ใช่ทางการชาวบ้านนี่เขาเออก็ไปทางใต้นะทางใต้ของมักกะนี่นี่รายงานส่วนมากบอกว่นานบีกับอุปราเกิดไปนอนไปนอนที่ถ้าเนี่ยสามคืน เพื่อพอไนบีออกจากมักกะแล้วก็อุบักแน่นอนก็ต้องมีข่าวเลยว่นานบีหายไปแล้วหายไปไหนหนีไปแล้วอยู่ไหนไปไหนก็ต้องก็ต้องติดตามก็สามคืนเนี่ยจะได้สับสนให้ไปไหนตรงไหนไปทิศไหนให้ให้สงบหน่อยแต่ชาวโครเอเชียก็ไปทุกสาระทิศเลยทางใต้นี่ก็ไปนี่มาถึงถ้านี่เลยอีมาเดินข้องบนนี่นี่นยบีอยู่ข้างในนี่นะเห็นไหม แล้วก็ชาวกรุงรัียก็มาเดินข้างบนนี่แหละนี่นะรายงานที่อูบกกากุรบาโกะท่านนาบีถ้าเขามองที่ปลายเท้าเขานี่นะก็เห็นเดาแล้วนี่นะ่ะแสดงว่าเขาคิดว่าเป็นไปนไม่ได้หรอกท่านนาบีแล้วอูบากรุรนี่จะมุดตัวพวกถ้ำในข้างในอ่ะนะเข้าไม่ไม่ง่ายนะนี่นี่อยู่ด้านในนีนะป่ประมาณเนี้ยอันนี้ชาวบ้านเขาก็ทําเป็นมุสลิมไปเลยอันนี้ในภูเขานี่ถ้าใครเคยไปนะนี่ทางเข้าถ้านี่มัน มันยากมากและในถ้ำนี่มันก็เป็นที่แบบว่าคับแคบมากเช่นชาวบูเรชเนี่ยนอกจากว่าไปทางใต้นี่ซึ่งไ ม, ไม่น่าจะเป็นไปได้เขาก็มามาวนอยู่ตรงนั้นแะแต่ไม่ได้เข้าไปไ ม, ไม่ได้เข้าไปในถ้ำก็เป็นกาหนดของเราสุภาเนวตาลนะเหมือนกันที่ Allah ได้ปัดสายตาของเขาเนี่ยไม่สนใจภายในถ้ำไม่ได้มอง ที่ปลายเทา้าเขาบอกว่าถ้ามองที่ปลายเท้าก็เห็นเราแน่ๆเร่องที่บอกว่าถ้ำนี่มันก็แค่นี้นิดเดียวอยู่ได้ประมาณสองสมคนน่นแหะพวกเรารู้จักบาราดอนนะบาราดอนบาราดาอนสาระคุณเอกบูรดาบูรดาแปลว่าแปลว่าภาคุมแล้วก็ได้ใช้ยาแก่กลอนกลอนที่ ที่นักกวีเนี่ยเขาแต่งกลอนสันเสริญนบีนะคนหนึ่งชื่อบูซีรีเนี่ยเขาก็แต่งกลอนแล้วก็เล่าชีวประวัติของท่งนานนบีสุลต่านอะไรอยู่เสมส่วนหนึ่งที่เขาพูดในงานบรอดดเรการก็อ่านในบรัสันจีก็มีนที่เล่าประวัติของท่งนานนว่าหน้าทัพเนี่ย มีนกพิราบมีมาวางไข่มาตั้งไข่บางรายงานบอกว่าแล้วก็แมงมุมก็มาสร้างบ้านอยู่หนาา้าถ้ำสองเรื่องนี้เนี่ยไม่มีรายงานสายแรงงานฮันดิสตีน่าเชื่อถือแต่อย่างไดดังมากเลยนะดังมากจนกระทัง่งภาพอะไรของถ้ำเซาเรนก็ต้องมีนกวิราบแล้วก็ต้องมีใหญ่มุมใยแมงมุมต้องมีสองอย่างนี้อยู่ด้วย เพราะอะไรเพราะต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าเรารับข้อมูลจากสื่อที่ใกล้ตัวชาวบ้านเนี่ยเขาฉลองเมูริดนบีนี่ทั่วโลกอะนะเขาไม่ได้เอาตําราที่น่าเชื่อถือมาอ่านในเมูริดนบีส่วนมากเนี่ยเขาก็จะอ่านกรอนนี่บร า, ดาบราดะบารสันจีอะไรพวกนี้และสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่มันจะมีอะไรที่แปลกปลอมหีืที่มันแทรกเข้ามา อันนี้เนี่ยตอกก็คือสื่อและที่แปลกในปัจจุบันเนี่ยพราะสื่อเขาได้ทําละครเรื่องเรื่องชีวประวัตินบีได้ทำํำภาพยนตร์ชีวประวัตินบีก็นี้ไม่พ้นในเรื่องนี้เหมือนกันเพราะคนที่เขียนบทเขียนบทเนี่ยก็ไม่มีคนที่เชี่ยวชาญมันก็ถูกปลูกฝังปลูกฝังกับมโนของชาวบ้านนี่ว่าเออเรื่องลกพิราบเรื่อง ถึงบางคนบอกว่าเนี่ยแมงมุมเนี่ยไปฆ่ามันทาไมเอมันช่วยน บ, บีเออ ม, มีพูดมีกระซิบพูดแบบนี้ด้วย ม, มันไม่ใช่เคยได้ยินมเออมีมีมันไม่กี่มันไม่ใช่ไงท่านน บ, บีก็อยู่ในถ้ำนี้สามสามคืนเนี่ยจนหมดความหวังและที่จะเจอตรงนี้ กด์ของท่านนาบีเนี่ยคนที่นําทางนี่ก็เลยพาท่านนาบีหลังจากนั้นนะ่ะก็ไปเดินทางใกล้ๆทะเลทะเลแดงไม่เดินทางกลางทางที่จะไปมาดีนะทำไมคือทางที่มักจะคนที่จะเดินทางไปมาดีนะ่าก็จะไม่ใช้ทางทางริมทะเลหน่อยการในขณะที่ท่านนาบีอยู่ในถ้ำเนี่ยอันนี้เนี่ยที่สามารถเรีว่านนี้คือชา ที่สําคัญที่สุดในอิจราในการอพยพสําคัญที่สุดเลยทำไมฉากนี้เนี่ยมันเสนอภาพความอ่อนแอที่สุดที่ท่านนาบีและอุบักเรได้ประสบนีคนคนที่กําลังหนีเนี่ยสภาพคนที่กําลังหนีภัยดังๆเนี่ยต้องเป็นคนที่กลัวมากใช่ไหมต้องเป็นคนที่รู้สึกไม่ปลอดภัยอ่ และนีไปอยู่ใหนไปอยู่ในถ้าไปซ่อนตัวอยู่ในถ้ำนี่คือความอ่อนแอที่สุดถ้าเราจะให้ฉายากับฉากนี้เนี่ยนี่คือพ่ยแพคนอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถเอาชนะไอ้ตัวเองได้จนต้องซ่อนตัวไปอยู่ในถ้ำแล้วก็คู่อรินี่เนี่ยมาถึงขนาดที่มาบังคับให้เขาไปอยู่ในถ้ำแบบนี้เนี่ยคือนี่คือพ่ยแพ้ แต่ในขณะนี้เนี่ยอัลลอฮ์ سبحانه แะ تعالى เรียกฉากนี้เนี่ยว่าเป็นฉากแห่งชัยชนะอิลลัตันซูรุห์ฟักดนัสซารหูถามยิช่วยเหลือเขาหนิอัลลอฮ์ช่วยเหลือเขาแล้วช่วยเหลือตอนไหนอ่ะนัสซารหูเนี่ยนัสซารหูแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยช่วยเหลือแต่ที่จริงเนี่ยรากศัพท์ของคาว่านสซรอเนี่ยคือให้เขาชนะนสซรนรุ نصر มินัลลอฮฺแะ فتح อันใกล้นสรนนสรชื่อชื่อที่เราใช้กันนสรุนนัสรีนี่นนะความหมายแปลว่าอะไรนัสร์เบช่ใช่แล้วนัสร์เราอัลลอฮฺให้่านชนะแล้วตอนไหนอ่ะที่อัครราชที่ขณะที่ถูกขับไล่ที่ปุ๊บๆจะสถานีขับไล่ออกจากกำมังานีแซนี่ไนนี่โดยที่เขา เป็นคนที่สองในสองคนอิสหูมาฟิลรอไดขณะที่ทั้งสองนี้อยู่ในถ้ำนั้นตอนนั้นนะ่ะนัสรหุลละอัลลอฮิชาเลาะซึ่งในภาษาชาวบ้านเนี่ยภาษาชาวบ้านนั่นะโซนว่าคนติดคุกอย่างเงี้ยเอ้ยไม่ต้องกลัวแกนี่คือคนที่มีอสิอสรภาพอิสรภาพเป็นไงอยู่ในคุกมันมีอิสรภาพ ชาวบ้านทั่วไปนี่ก็เข้าใจยาก่ยอะไรแบบนี้เนี่ยมันเข้าใจยากในบริบทของการต่อสู้ฉากเดียวเนี่ยมันจะไม่สรุปกระบวนการการต่อสู้มันไม่ใช่ช่วงเดียวที่เราจะกโอ้ช่วงนี้เนยคือแย่ที่สุดแสดงว่าสรุปสรุปตรงนี้ไ ม, ม่มันต้องดูต่อ โดยเฉพาะ ต, ต่อสู้นี่มันยาวนานและด้วยเหตุนี้นะครับ <Yeah. S 1> อุลามาบอกว่าคนที่ติดคุกโดยถูกเรื่เล่หอย่างท่านนายบิยูซุฟท่านนยบิยูซุฟติดคุกเพราะอะไรไม่ได้ติดคุกเพราะเล่นการพนั้นไม่ได้ติดคุกพเพราะฆ่าปะเวนีไม่ได้ติดคุกเพราะค้ายกัญชาไม่ได้ติดคุ ก, พ ก, คกพเพราะหมักหมักซูราหมักเหล้า ติดคุกเพราะเขาถูกชวนเชิญชวนให้ทําซีนาไม่ฉช่ภรรยากษัตริย์อย่างเดียวนะเพราะภรรยากษัตริย์ชิญชวนทําซีน่านี่ท่านอับดุลยุสุปฏิเศใช่ไหมผู้หญิงพวกขุนนางในในเมืองนี่ก็ซุบซิบซุบซิบภรรยากษัตริย์บอกโอ้โหลงรักหลงรักยุซุเขาก็เลยจัดเลี้ยงเลยจัดเลี้ยงมามามาดูยุซุ พอเห็นหน้าตายูซุปนี่หลงรักกันหมดเลยต่างคนก็ไปแอ บ, บคุยกับท่านนาบิยูซุขอให้ทำศีนาด้วยนายบิยูซุนี่ทั้งยาดนนีอไนบยูซุบอกว่าที่พวกนางทั้งหลายนี่เชิญชวนครพระเจ้าไม่ใช่แงไม่ใช่คนดีดูนนีพวกนางทั้งหลายนบยูซุนี่ตอตลอร บ, บีอัซจนิน อาฮบุอิลัยะมิมมะยาดอุนนีเลียอลลอฮฺข้าพเจ้าติดคุกดีกว่าติดคุกดีกว่าสิ่งที่พวกนางเนี่ยเชื่อชั่วในนิดเรมานี่บอกว่าอิสรภาพที่จะต้องเป็นทา่าไทยกิเลสย่อมเลวร้ายกว่าการเป็นนักโทษแต่มีอิสระของตัวเอง อยู่ในคุกนี่ไม่มีใครบังคับอะไรก็ได้จะบังคับทําความชั่วในเวลาเลือกเลือกที่จะติดคุกถึงแม้ว่าจะเป็นนักโทษถูกกักขังดีกว่ามีอิสรภาพแต่ทําในสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการเช่นเดียวกันเสรีภาพที่มันมาเป็นแพ็กเกจนะเนี่ยที่มาเป็นชุดเป็นเป็นเอ่อพวกผู้รับเหมาเสรีภาพมามาเป็นชุด อยากได้เสรีภาพอิสรภาพเป็นดิน่ะไหมอยากได้มีประชาธิปพูดได้จะไหมอยากมีอะไรสบายอันดีให้อิสระกับประชาชนจะไหมอยากพูดจะวิจารณ์คนอื่นโดยไม่มีกฎเกณฑ์อะไรที่จะมาก็เป็นรื่องดีไงอิสรภาพเเรื่องดีทั้งนั้นน่ะแต่อย่างอื่นมันต้องมาด้วย อิสระภาพทุกอย่างมันต้องอิสระทุกอย่างเสรีภาพในด้านด้านความคิดด้านด้านดําเนินชีวิตใช่ไหมก็ต้องเสรีก็ต้องสุราก็ต้องเสรี LGBT ก็ต้องเสรีซ o r k sick sick worker เนี่ยก็ต้องเสรีโสเภณีเนี่ยต้องเสรีการพนันก็ต้องเสรีคาซิโนก็ต้องเสรีอะไรกัน เยอะมากเลยกัญชากรเสรีกระทอมกรเสรีหมดเสรีหมดมาเป็นชุดนะมีคลิปหลุดครูโรงเรียนที่แคนาดาแคนาดานี่เขามีหมดแล้วนะไอชุดกฎหมายนี่ไอห้าสิบสี่ชุดที่ก็จะผักดันค้เขามีแล้วและ LGBT LGBT Pride ที่เขาฉลอง มิถุนาเนี่ยทุกปีเนี่ยเขาจะฉลอง LGBT นะเขาจะจัดกิจกรรมโรงเรียนของรัฐทุกโรงนีนะ่จัดกิจกรรมให้ยอมรับใน LGBT แต่ก่อนผมก็เอกใจว่าเอ่ที่เขาจะตั้งรัฐบาลเนี่ยสีส้มเนี่ยเขาไม่เอาหรอกคำนาคมอะไรไม่วเอากระสรงศึกษา ผมผมผมแปลกใจจริงๆนะกระทรวงสายนี่คือกระทรวงที่จนที่สุดงบประมาณแย่ที่สุดพักอื่นเนะี่ยที่บพวกมีมีไอพวกดโนเสาวนี่เขาจะเอานี่เอานี่พวกกระทรวงที่มันมีเงินเยอะไงแต่นี่ก็กระทรวงสศรษฐทำไมอ่ะเพราะมันไม่ใช่กฎหมายสมรสเท่าเทียม ที่มันจะผลักดันขึ้นมาอย่างเดียวไม่ใช่มันจะมีระเบียบกระทรวงที่ที่จะตามมาด้วยแกนาดาโรงเรียนทุกรงต้องฉลองด้วยนะตัดจ็ดกิจกรรมด้วยนะและเด็กเนี่ยต้องร่วมีมเด็กมุสลิมโรงเรียนขอไม่ร่วมครูเรียกเลยตาหนิต่อนหน้าเด็กแหละทีเดืนดอนรอมฎอนทีเดืนดอนรอมฎอนที่ผ่านไปแล้วเนี่ย เราก็ฉลองแล้วก็ร่วมให้เกียรติท่านทีมไอไพรต์ตของอ g b t เนี่ยเราก็ต้องให้เกียรติเขานี่คือกฎเกณฑ์ของประเทศนี้อะมันมาเป็นภาเกจคือจะเลือกเรื่องเดียวนี่แล้วก็เรื่องอื่นไม่เอานี่ของเขานี่ไม่ได้ยังไม่แปลกนะเอ่อลงไป ลงไปหาเสียงสามจังหวัดนี่บอกว่าต่อไปนี่พี่น้องภาษีของท่านเนี่ยเดี๋ยวจะมีนายกของเยาลามีนายกของโอ้ยนี่ของนี้สามจังหวัดนี่ชอบเสรีภาพไงแต่รู้ไหมคือไปพูดเรื่องนี้อย่างเดียวนะีเรื่องสิทธิเสรีภาพสังจังหวัดยกเลิกกฎหมายการศึกไอเรื่องที่มันเรื่องที่ทําให้สมจังหวัดนี้เป็นคุก แน่นอนเรื่องดุดร้อนแน่นอนแต่เขาพูดเรื่องนี้เรื่องเดียวไงเรื่องอื่นไอ้ไอ้ไอ้ส่วนหนึ่งของแพ็กเกจเสรีภาพอ่ะนะเขาไม่กล้าไปหาเสีย ง, งต่างๆหรอกหาเสียงแล้วเนี่ยชาวบ้านเนี่ยรู้โดนไล่แน่นอนไอ้ที่เขาไปพูดกับผู้ว่านี่เรื่องสังคมต้องยอมรับในเอ็งบเนี่ยต้องยอมรับเขาไม่ไม่กล้าออกไปพูดสามจังหวัดแน่นอนแต่นี่เรื่องที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆ เกิดขึ้นแล้วแล้วตำหนิเด็กอย่างรุนแรงเลยนะซึ่งสิ่งที่ครูสิ่งที่ครูนะครูนะนั่นหมายรวมว่าถ้ามันเป็นกฎเกณฑ์เป็นระเบียบแล้วเรื่องสมรสเท่าเทียมเรื่องสรทธิพของ LGBT เสรีภาพของ LGBT ทั้งหลายเนี่ยครูมุสลิมอยู่ในโรงเรียนอย่าว่าครูมุสลิมแม้กระทั่งครูพุทธคริสเนี่ยที่ไม่เอาด้วยนะ มันจะเป็นข้อบังคับมันจะผิดวินัยก็เหมือนวันไหวครูอย่างเงี้ยถ้าไม่ร่วมกิจกรรมถ้าไม่ทำกิจกรรมนี่โอ้โดนเรียกเลยขนาดมุสลิมมานะพูดยังไงก็ไม่รู้แหละทำกิจกรรมให้มุสลิมแยกแล้วก็ไปบรรยายเรื่องคุณค่าของครูต้องจัดยังไงก็ต้องจัด ไม่ต้องไหว้ครูมุสิบอาไม่ต้องไหว้ครูแต่ต้องจัดกิจกรรมว่าเป็นกิจกรรมแล้วก็เป็นข้อบังคับเป็นเรื่องวาจิบไม่รู้มาถึงจุดนี้ได้ไงเราพูดถึงท่านในวอยู่ในถ้ำในสภาพที่ดูเหมือนไม่อิสระภาพดูเหมือนไม่ใช่ใ ช, ชนะมันไม่ใช่สั ญ, ญลักษณ์ของ ช, ชนะเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของความอ่อนแอมากกว่า คนดิลีภยัยจะเหนี่ละของความไม่ปลอดภัยมากกว่าแต่อัลลอเรียกว่าหนัสรหุลล้ออัลลอให้เขาชนะแล้วทำให้คนอ่อนแอทุกยุคทุกสมัยเนี่ยไม่ต้องเสียใจไม่ต้องกังวลใจเพราะสภาพอ่อนแอของคนดียึดมั่นในสัจธรรมเนี่ยมันไม่ใช่บทสรุปมันไม่ใช่บทสรุป ข, ของการต่อสู้ การต่อสู้นี่ระหว่างความจริงกับความเท็จนี่มันยาวนานแล้วไม่ใช่ผู้คนที่จะกาหนดมาตรฐานแห่งชัยชนะคนทั้งหมดนี่บอกว่านาบีหนีจากมาัการ์นี่นี่คือคื อ, อ, อนแอที่สุดแล้วแต่อาม่าบอกว่าไม่นี่คือชัยชนะนี่คือชัยชนะกำลังใจมหาศาลอาญานี่ยกำลังใจมหาศาลสำหรับทุกคนที่ถูกกระทำ สำหรับทุกคนที่ตกกรังแกว่าสภาพอ่อนแอสภาพย่าแย่ที่อาจจะรู้สึกอาจจะบันทอนบันทอนสภาพจิตใจให้รู้สึกรู้สึกแย่มากก็จริงเวลาเราถูกถูกโดนเล่มถูกอาธรรมเนี่ยแล้วก็ทําอะไรก็ไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นคนอื่นก็ไม่ช่วยคนอื่นก็ไม่เอาด้วยโคนเนี่ยมันบุคคลเสีย อ, อย่าได้อธิบายเลยมันมันแย่มาก แย่มากซ่งดิฉันพบเจอในก็อะไรแบบเนี้ยอีกดีก็กลวลี صاحب เหี้ยแล้ะ حسن การที่อัลลอฮ์ได้บรรยายบรรยากาศและความรู้สึกของสงคนเนี่ยที่อยู่ในถ้ำในสภาพที่มันแย่มากตัวนั้นนะการที่อัลลอฮ์ได้บรรยายเรื่องนี้เนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะบรรยายดีกว่าที่อัลลอฮฺะ ب ح ا ن ه และ تعالى เล่าไว้ สำนวนอุรานนี้อัลลอฮฺบอกว่าอิดีกูลุลี صاحب ิห์ลาถะฮซันอินนัลลอฮฺมะ عنا คือขณะที่เขาได้กล่าวแก่สหายของเขาว่านบีกล่าวแก่สหายคืออบดุบคารเอกฉันเลยนะว่าสหายของท่านนบีที่นี่ก็คืออบดบคารไม่มีใครบอกว่าอาลีนะแม้แต่ดั่งชียานียอมรับนะว่าสหายของท่านนบีในถ้านี่ก็คืออบดุบคาร มีใครบอกว่าคนอื่นนะเอกฉันเลยแค่นั้นอุลามาจึงมีมติว่าใครที่ปฏิเสธว่าสหาบะางคนหนึ่งคนใดเนี่ยไม่ใช่สหายบะางอย่างเช่นปฏิเสธว่าอุสมานไม่ใช่สหาบะางอัมตุลฮามานีบนอัลไม่ใช่สาบะางไม่ตกมุตัดนะแต่ถือว่าเป็นผู้บิดเบือนร้ายแรงแต่ไม่ถือว่าตกมุตัดตกศาสนา แต่คนที่ปฏิเสธว่าอบดุบบีรเนี่ยไม่ใช่าอนี้ตกสนนาเพรา้าปฏิเสธอายะหนึ่งในกุรานไม่มีอายะที่กล่าวชัดรปรเนว่านี่คืออบเรอายะนี้มีอายะอื่นบูดึงอบบรแต่ก็มีขลาว่าใช่อบดบร่ตอายะนี้เนี่ยเอกชเคืออบลหรือสาบส ต่ชาานก็บอกว่าอก็กะซายนบีตอนแรกแตทีหลังนี่ตกศาสนาคือเขายอมรับคือไม่ยอมรับเนี่ยไม่ยอมรับนี่ต้องปฏิเสธกุรอานอยนี้ยอมรับว่าเป็นคุ่านทำไให้าสาบ้นี่แสดงว่าปฏิเสธคุรอานเาก็เลยยอมรับว่าเป็นสาวบาแต่ไปตกศาสนาภายหลังหลังจากนบีเสยชีวิตแล้วอัลุสุนลจามะนี่ก็จะตอบว่าเป็นไปได้หรือ สถานการณ์ที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ในชีวประวัติของท่านนาบีเนี่ยขณะที่อัลลอฮ์จะต้องมาเล่าเรื่องนี้เนี่ยในคุตัานให้รุ่นต่อรุ่นเนี่ยได้รับรู้ถึงการเสียสละของท่านนาบีอัลลอฮ์จะเลือกคนที่ภายหลังจะมาตกศาสนามาเป็นสหายของท่านนาบีได้อย่างไงคนเรานี่ยสมุดวา จะส่งลูกไปเรียนหรือไปทํางานไปที่ไหนเนี่ยและเราไปไม่ได้เนี่ยเราจะให้คนที่เราไว้ใจมากที่สุดเนี่ยไปดูแลลูกจนถึงจุดหมายแล้วก็จัดการเรียบร้อยทุกอย่างเราเองเนี่ยลำพังความรู้ประสบการณ์ที่มันไม่ค่อยรอบครอบมันเราก็ต้องเลือกเลือกคนที่เราไว้ใจที่สุดคนที่ไม่น่าจะหักหลังเราแน่อย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนี่มนุษย์ธรรมดานะ แล้วเป็นไว้ได้ไงที่อัลลอฮ์จะเลือกคนที่อัลละฮ์รู้อัลลอฮ์รู้ว่าเอาบัคเน่เดี๋ยวภายหลังนี่เดี๋ยวก็จะตกศาสนาจะเรือกจะเลืองมาได้ไงอหลุ่นเขาตอยเป็นยังไงช้าเขาก็เขาก็ดื้อมือนกันนะเขาบอกว่าใครบอกว่าอัลลอฮ์รู้เสร็จเสร็จกันเลยเสร็จเลยเพราะก็ดูเช้านี่เขามีอาคิดาเกี่ยวกับอัลลอฮ์นี่วะ Allah น uh, ah so ah ีรู้แต่ Allah มีสิทเปลี่ยนใจเขาเรียกบัดะบัดะเราหมายความ Allah ูเปลี่ยนใจได้รู้เอาบกอาบกเป็นเป็นคนดีตอนนั้นแล้วก็เปลี่ยนใจไม่เป็นคนดีเออนี่ชียานี่ยเขาเริ่มต้นวางอากิดะของเขานี่ว่าสอฮาบานี่เป็นกาเฟตอากีดะอื่นๆที่มันจะค้านกับเรื่องนี้นี่ก็ต้องปรับเัว ต้องปับเอาเหมือนคนโกหกไปแล้วี่ครั้งหนึ่งบอกเมียว่าไปไปซื้อกับข้าวไปซื้อร้านไหนมาไปซื้อร้านบางหิมบางหิมหนูเขาไปสองขาหนูมันไม่อยู่อ๋อพอดี <c oughs> ไม่เริ่มแล้วคือต้องดัดแปลงแล้วก็แล้วก็กุเรื่องอื่นชีจะได้มาเอาเรื่องมูสาอันแรกเนี่ยมันจะได้มันจะได้อยู่เชี่ยก็เป็นแบบนี้ หากีด้านแรกๆนี่ก็คือซาฮาบานี่ตกศาสนามหมดแล้วก็เริ่มต้นหักีด้เนนี้ก็คืออาลีเนี่ยก็คือซาฮาบะที่ยอดเยี่ยมที่สุดคนอื่นนี่ใช้ไม่ได้เลยทุกอย่างที่มันจะข้านกับความเชื่อนี้เนี่ยก็ต้องทีๆๆๆๆๆๆงนี้มาเจอความชัดเจนแบบเรื่องนี้เนี่ยบางทีเนี่ยก็โต้ไม่ได้มีอุลมามะซุนน่าที่ อิรักชื่ออิมามสวาดีที่ประเทศอัฟกานิสถานเนี่ยเมื่อประมาณสามร้อปีเนี่ยมีกษัตริย์ที่เป็นเชีย์กษัตริย์ที่เป็นเชียร์ได้เห็นประชาชนที่อัฟกานิสถานนี่มีชียร์มีสุนุททะเลาะกันทะเลาะกันจนเกิดฟิหน้าในแผ่นดินทั้งหมดเ <c oughs> ขาก็บอกว่าเรื่องนี้มันต้องยุติให้ได้เขาก็เลยจัดจัดทิเบตระหว่าง ซุนนีก็เชียให้เชียร์นยเออุลมามะของเขาแล้วก็ให้ซุนนีซุนนีเขาก็เลยไปเรียกอิมอุลามะที่รักชือซาอุดีเนี่ยเขามโตเถียงหนึ่งในสิ่งที่เขาโต้เถียงนี่ก็คือเรื่องนี้แล้วก็เรื่องอื่นด้วยนะเกี่ยวกับความประเสริฐของของสัฮาบะก็มาถึงเรื่องบางเรื่องนี่เขาก็เถียงไม่ได้เนี่ยเช่นเขาบอกว่า ท่านอาลีเนี่ยเป็นคนที่รบอบคอบเป็นคนที่มีมีอุดมการณ์ทําไมท่านให้ลูกสาวของท่านเนี่ยอุมูกุลซูมเนี่ยได้แต่งงานกับออมารินุลขะตอบซึ่งเป็นคนมุตตัดในความเชื่อเอาลูกสาวที่เป็นลูกหลานนบีแท้ๆเนี่ยยกให้คนมุตตัดอย่างออมารินุลขะตอมได้ยังไงมันจะตอบอยังไงกูดตอบแบบแลเลอะเทอะไง บอกว่าใครบอกว่าลูกยกลูกสาวมันคือยินที่แปลงร่างอุมูกุลซูมยกให้พุลมาสนุนีเขาบอกว่าถ้าถ้าเหตุผลนี้เนี่ยมันจะเสนอได้อะนะแต่มันก็ต้องการหลักฐานต้องการหลักฐานเพราะตำราของสนุนีตำราของเชียอันนทั้งหมดเนี่ยเอกฉันเลยว่าอุมูกุลซูมนี่ลูกสาวของแต่งงานกับออมมดจริงๆ ถ้าจะบอกว่าองคุสูนีไม่ช่องสูนตัวจริงเป็นยิน ก, ก็ต้องมีหลักฐานบอกว่ไม่มีหลักฐานทําให้กษัตริย์ที่เป็นชิอาเนี่ยอมรับเลยว่าเหตุผลของชิอาในการประนามซอฮาบะเนี่ยที่เขาประนามอุมารขตาบอกเป็นแก๊ปเลนนี่มันฟังไม่ได้จึงมีแถลงการประกาศให้ยุ ต, ติการทะเลาะระหว่างชิอากับซุนนีโดยเฉพาะการด่าทอซอฮาบะเป็นกษัตริย์คนแรก ในโซนนั้นนะในโซนพวกคุรอซานี่นะที่ประกาศเป็นชียด้วยนะห้ามชียดยไม่ให้ประนามซาบะความรู้สึกของอรุซุนนวลเจม่านี่ยเวลาอ่านกุษานแล้วก็ซาบซึ้งในความใกล้ชิดระหว่างนบีกับโอุบัแบบนี้แล้วมาเห็นชีย ด, ยด ة, ะะ ا, นี่ด่าทอซาบะกล่าวหาเอาว่ากระดูวตกศาสนาอย่างเงี้ยเฉยอย่างเ ง, ง, ง, งี้ยนี่เรเป็นสิ่งที่ เชลซูน่านี่รับไม่ได้เลยรับไม่ได้เลยแต่ไม่มีามคุรตุบีในการอธิบายอธิบายไอ้เนี่ยบอกว่าคนที่กล่าวว่าซอฮาบะเนี่ยว่าอาูบักเนี่ยตกศาสนาเนี่นะอันนี้เป็นกาฟเฟโดยไม่มีความขัดแย้งซอฮาบะอื่นๆเนี่ยใครที่กล่าวหาซอฮาบะอื่นๆเนี่ยว่าตกศาสนานี่นะมีขค่ละสองศาสนา ศาสนาหนึ <was> ่งบอกว่าไม่ไม่ใช่กะฟิร์ศาสนานี้อิหม่ามอิบนุอาบดีนอุลลามะรุนหลังของมัซฮาบฮานะฟีนี่เขาให้น้ำหนักกับศัสนานี้บอกว่าใครที่เก่าพวกช يعة ที่เก่าวหาอว่าเป็นกาเฟรเนี่ยไม่ถือว่าเป็นกาเฟรไม่ถือว่าเป็นสายแต่ช يعة นี้เขาอาจจะตกศาสนาในเรื่องอื่นนะแต่เฉพาะเรื่องนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ทําให้เขา ทอกสัปดาแต่อิหม่ามครูตุบีบอกว่าอ ظهر القولين تكفيره ท่านะนั่งทีนี่นะแมากกว่าอย่านี้และคนที่กลายเป็น صحاب าอันที่ไม่ชู้ักเนี่ยเป็นกาแฟดิฉนอูมารอับดุลขัตตับอุสมานอับดุลฮะฟาอับดุลราะห์มานอบุาวีกลาเป็นกาฟเนี่ยคนเหล่านั้นนะเป็นกาฟแน่นอนทําไมอุลมล์นี่บอกว่าที่จริงลําพังมอง มองประเด็นการกล่าวหาว่าเป็นกาเฟรอย่างเดียวนี่นะมันไม่ค่อยมีสาระเพราะมันเป็นการกล่าวหาบุคคลคนหนึ่งว่ากาเฟไม่ใช่กาแฟกับสองคนทะเลาะกันน้องคนี้เป็นกาแฟคนนั้นไม่ใช่กาแฟถ้ามองแค่นี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีสาระแต่สาระสําคัญอยู่ที่ว่าสหบ้านที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นกาเฟนับพั น, พ, นพันคนนี่นะล้วนเป็นคนที่รายงานศาสนารายงานกุปอาจรายงานหะดีสทั้งนั้นน่ะ ถ้าคนเหล่านี้เนี่เป็นกาเฟตก็แสดงว่าไม่มีแลศาสนานี่ไม่มีแล้วสเพรนั่นเชียาานี่ขเขาปฏิเสธคุรานทั้งหมดนี่ไม่ได้โดนประนามแน่นอนเขาก็บอกว่ากุรานนี่ที่มีอยู่นี่คุรานมีแต่ไม่ครบคุรานไม่ ค, บครมคบมาปฏิเสธไม่ได้แต่กุรานนี่ไม่ครบแต่ฮะดีสละไม่เอาเลย แตนตาบุ k h a r มุสลิมนะสัยอับดุวุดิบนี่มาจากที่มิซิเนไม่เอาเลยอิมามันไม่เอาเลยฮะดิสเนียว่าขมีหะดิสุงขาวเขาไม่ใช่นะฮะดิสุอัลซุนเขาใส่ในงานอิหม่าจักใคทก็รู้นมาจากซอยว่าที่เกล่าวหาว่าเป็นกัฟิรและสาระมันอยู่ตรงนี้ว่าการกล่าวหาซอว่าเป็นกัฟิรนี่เท่ากับการหรือศสนาเไม่ศาสนานี่ไม่มีเลยไม่มีไม่เหลือเลย อานหาดีอะไรต่างๆนี่ผู้รายงานก็ล้วนเป็นสหบาทั้งสินอันนี้ทั้งหมดเนี่ยคุณค่าได้มาจากคาว่านบีกล่าวแก่สหายสหายหรือซอให้บีเนี่ยคําว่าสหบากังมาจังนี่ซอสหบาเพราะว่าไม่มีใครที่อัลลอฮ์ได้แต่งตั้งหัวเป็นสหายเป็นสหบะานองจากอุเบกในอายะเนี่ยอยะเดียวในอกุรอาน ก่าวไร้ท่านนบีขาก่อวักระลาถ้า حزن إن الله معنا ทันยาศียะเจย์ลาถ้า حزن ทันยาศียะเจย์ إن الله معنا ท่านจึงอัลลอฮฺทรงยกับเรานสมดุลที่ดูกรงันในฮะดีสวันที่ดูอิมามร่งันดูท่านนะบุลลัยบญะบาสท่านนบีบอกก่อวักรมา ن ก็ <ت ص في ق> อุปักรบอกกับท่านนบีถ้าเขามองที่ปลายเท้าเนี่ยก็เห็นเราแน่นอนนบีก็เลยบอกกับอุปัรมา ظن ุ ك บ ثنين อ ل ل ه ث ا ل ث แสลมท่านคิดยังไงกับสองคนนี่ผู้ที่สามเนี่ยคืออัลล์มันก็เป็นเนื้อหาเดียกับคว่าอินนัลลอฮะมาเนีเราสองคนแล้วก็ผู้ที่สามนี่คืออัลลอฮ์อยู่กับเราเนี่นีและ อินนัลลอฮอัลลอฮร่วมอยู่กับเราอัลลอฮอยู่กับเราเอกฉันเลยนะอุลามะด้บอกว่ามาเนามาอียะเนี่ยมานาความว่าอยู่ร่วมกับเราเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าตัวตนของอัลลอฮนี่ไม่อยู่ในธรรมเอกฉันเลยเนี่ยมันจหมายร่วมตรงนี้แต่อัลลอฮ์มาเนาะดอิลมีว่าในข้ายตีอัลลอฮอยู่กับเราด้วยความรอบรู้ของร่อัลลอฮ ทุกสิ่งอย่างที่กำลังเกิดขึ้นรายละเอียดทุกอย่างอัลลอฮ์รู้เราทรงได้ยินเราสงเห็นและอัลลอฮ์มีความช่วยเหลือส่งมาอยู่ร่วมกับเราแล้วและนี่คือความหมายของทุกอายะที่มีคําว่ามะอินนัลลอฮ์มะอัลซาวีรีนแทจิงนัลลอฮอยู่กับผู้อ่อนอินนัลลอฮมะฮ์อัลมุตตะกีนแทจิงอัลลอฮอยู่กับผู้ยำเกรงอัลลอฮ์อย่างนี้เป็นต้น อยู่กับผู้อดทนนี่ก็หมายถึงว่าสนับสนุนเห็นรู้ได้ยินในด้านการขัดเกลาจิตใจเนี่ยการที่ผู้สัตย์าเนี่รู้สึกรู้สึกมีความรู้สึกอย่างอย่างแ ท, ท้จริงว่าอัลลออยู่กับเราเนในทุกกรณีเนี่ย โดยเฉพาะในกรณีที่เรารู้สึกอ่อนแอไปขอความช่วยเล้วจากคนนู้นก็นไม่ช่วยคนนั่นก็นไม่ช่วยโดยเฉพาะถ้าเป็นเพื่อนสนิทมากเเพื่อนที่เราคิดว่าเขาไม่น่าจะทิ้งเราแต่ที่ทิ้งหมดเลยไม่มีใครเอาด้วยกับเราเลยนั่นนะตอนนั้นนะคือความรู้สึกความรู้สึกทอแทะถูกทอดทิ้งไม่มีใครเอาด้วยแน่นอน ถ้าไม่ชี้พู้ศรัทธาที่ศรัทธาเนี่อัลลอฮ์แล้วอะนะก็จบแล้วสิไม่มีแล้วถ้าทุกคนดิไม่ช่วยใครจะช่วยล่ะมนุษย์นี่ก็พยายามที่จะหาอะไรมาเกาะติดที่ไม่ดีศรัทธาเนี่อัลลอฮ์นะก็พยายามที่จะหาอะไรมายึดติดยึดติดเป็นสิ่งที่เป็นนามมาทําบ้างสิ่งที่เป็นรูปประทับบ้างนอะมีมีนี่นะ จะทุกขามบ้างจะทุกขา ม, มีนู่นมีอาจารย์คนนุ่นอาจารย์คนนี้เนี่ไม่รู้จะพึ่งทุกพึ่งใครไม่มีใครช่วยไม่เป็นไรฉันมีฉันมีอาจารย์ช่วยอยู่ใช่ไหมแต่ลึกๆนี่นะรู้กระจว่าของนี่ก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันทำไมอ่ะเพราะเรื่องนี้เรื่องที่เกีวเรื่องเกี่ยวกับการยึดติดในเรื่องวัตถุในเรื่อง สิ่งเหล่าเนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ดึกดําบัรแล้วขึ้นบนเรือนี่ก็สารพัดเจวิตสารพัดอะไรพาไปด้วยพอเริ่มมีพายุพอเริม่มมีมีขึ้นยักษ์สึนมิแล้วอวะนะไม่ไปหาสิ่งเหล่านี้นี่บูาะต่ออัลลอฮ์เะตะกอนนู่นะเขามีมีอัลลอฮด้วยนะคือเขารู้จักกันเนาะแล้วก็ตั้งฟากีมีมีอ่าจวเจวิตอื่นด้วย แต่เวลาคับขันจริงๆอะนะนี่ผมเคยเล่าให้เด้องฟังที่ท่านนบีถามอ่าอัลฮุซนอัลฮุซนฟซารีนเป็นคุณพ่อของอิมรานี่นฮุซนเนี่ยฮุซัยน์ตัวเองบูชาบูชาพระเจ้ากี่องค์อหหเขาแล้วเวลา ขับข <laughs> ันล mm ําบากมากเนี่ยองค์ไหนเนี <ums> ่ยท <ums> ี่วิ่งไปหาเลยโอ้ที่อยู่ที่อยู่ฟากฟ้าององนี้เนี่ยที่ไม่ผิดหวังแต่องค์อื่นล่ะถ้ารู้รู้กันนะรู้รู้กันแต่แต่เรื่องนี้มันมีมันมีแต่ไหนแต่ไหนแล้วสําหรับผู้ศรัทธาเลยมุสลิมที่เชื่อเนี่ยแล้วแล้วก็ไม่เชื่อในเรื่องอื่นเนี่ยสมควรที่เขาจะ ยิดมั่นในเรื่องนี้นี่มากกว่าโดยเฉพาะในยามข้ามขันยามข้ามขันนี่มันเป็นกรณีที่ทุกคนศรัทธาน้อยศรัทธ า, ามากนี่นะก็ต้องหาอัลลอฮ์สินี่เป็นเรื่องปกติและสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยมีความเข้มแข็งมีความหนักแน่นการที่เราจะพยายามปลุกขัดเกลีจิตใจนี่ให้ปลุกความรู้สึกว่าอัลลอ์อยู่กับเราจริง อัลลอฮ์รู้หที่ฉันกำลังเดือดร้อนเนี่ยรู้ไหมรู้อัลลอได้ยินไหมที่เขาว่าเรากันนั้นที่เขาทำเรากันอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยินคนที่ความศรัทธาของเขาต่ออัลลอฮ์นี่ไม่ค่อยหนักแน่นเนี่ยมักจะเกิดความสงสัยถต่บางทีนี่เขาออกมาเป็นวาาอัลลอฮ์รู้แล้วทาไมอัลลอฮ์ไม่ช่วยฉันะมักจะมักจะมักจะมีคนที่ إ ي م านเขาอ่อนแอนะเนี่ยทาไมอ่ะ ทำไมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยอัลล์ก็ไม่อัลล์ก็ไม่ทำหนีนะแล้วอัลลอฮ์บอกว่านี่คือบางทีอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของสุดความอดทนเรื่องนี้มันก็อาจจะเกิดขึ้นเกอบจะเกิดขึ้นกับบรรดาบ ب ي อุสุต ح ت อ ى إذا استئس الرسل وظنّ أنهم قد كذب جاءهم نصرنا กว่าจะถึงจุดที่จะสิ้นหวังแล้วของบรรดาอับดุลเลาะนซูลแล้วเขาคิดว่าโอ้ถูกปฏิเสธแล้วไม่มีใครเอาเขาแล้วจะเอหนัสน่ใช่ชนะของ Allah นี่ไหมว่าก้าลุเมตานัสรุลลอฮ์เมื่อถึงจุดที่ผู้ถูกอาธรรมนี้ก็จะกม่าวเมตตาเมรัเอ้ยความช่วยเหลือของ Allah จะมายงเราบอกว่าอลอินนนลล์บะกลอินนนลล์ใก้ใช่ชนะของ a l l นี่ ใกล้ชิดเหลือเกินในกุฎอ่านนี่มีอายะแบบนี้เยอะนะผู้ศรัทธาที่อ่านกุฎอ่านบ่อยครั้งเนี่ยก็จะไม่สงสัยไม่พูดํำเนี่ยทำไมอัลลอฮฺไม่ช่วยเหลือเราล่ะทำไมมันช้าละ่ะความช่วยเหลือนี่มันมาช้าละ่ะทำไมอัลลอฮฺปล่อยนี่ตอนที่พี่น้องที่ซีเรียที่ซีเรียถูกอธรรมจากรัฐบาลซีเรียเนี่ยคือยน่างจากว่าพี่น้องชาวซีเรี ย, ยโดนเยอะนะ ก็มีหนึ่คนที่อัดคลิปแล้วก็บอกว่าอลอฮฺทไมปล่อยเราล่ะทําไมปล่อยให้คนเลวแบบนี้เนี่ยมาทำบ่วกเราล่ะพูดก็ก็บหินใจขาแน่บอกว่ไม่มีใครทั่วโลกนี่ก็ทอดทิ้งก็ไม่มีใครช่วยเหลือเเลยแต่ผู้สรัทธาต้องเข้มแข็งบางทีมันเป็นประสบการณ์เล็กน้อยส่วนตัวเรื่องที่เราเจอเจอกับตัวเองอะนะกับคนคนรอบตัวคนในสังคมถูกอาธรรม และบางทีเนี่ยก็เป็นเรื่องส่วนรวมเรารู้สึกว่าเออเช่นกลุ่มนี้เนี่ยเขาถูกรังแกออสังคมนี่เขาเขาถูกกดดันถูกเสียดสีทั้งหมดนี่มันเป็นบทเรียนให้พวกเราเนี่ยได้ศัทามั่นในให้กว่าความปรีชาญาณของ Allah, ความรอบรู้ของล l l a h ถ้าเราจะเป็นคนที่เสนอว่าอัลลอฮฺควรที่จะช่วยเมื่อไร่อัลลอฮฺควรที่จะส่งความช่วยเหลือเมื่อไร่เป more, ็นพระเจ้าดีกว่าไหมเชิญเป็นพระเจ้าดีกว่าไหมเออในในเมื่อเกิ่งก่งอย่างนั้นเออรู้เมื่อไหร่จะต้องเมื่อไร่ต้องช่วยเมื่อไหรจะต้องรีบหน่อยเนี่ยเออเชิญเป็นพระเจ้าเลยไหมเชิญเลยไหมผู้ศรัทธาไม่บังอาจไม่บังอาจที่จะล่วงเกินแล้วบอกว่า คนที่จะช่วยแล้วไม่บางอาจไม่รู้ตัวแล้วต้องเชื่อเชื่อในแล้วเรื่องความเชื่อที่มันต้องแบบไม่มีลิมิตนี่นะไม่ไดีหมายเนงว่าอู้รู้อัลลอฮ์อัลลอฮ์อาจจะไม่ได้ช่วยทีนะัอ่อาจจะช่วยเหลือภายหลังภายหลังนี่ก็ออลิมินเะหมือนกันไม่จําเป็นต้องช่วยในโลกนี้ก็ได้ a ล l a h อาจจะให้เราได้เสียชีวิตในสภาพที่อ่อนแอสภาพที่พ่ายแพ้แต่อย่างที่บอกมันสภาพอ่อนแพพนนอพ่ายแพ้ในมาตรฐานของมนุษย์ในมาตรฐานของมนุษย์ชัยชนะของท่านนาบีอิสลาเนี่ยจะถูกกําหนดชะตากรรมนู่นนก่อนวนเกี่ย ม, มาเพราะท่านนาบีอิสาถูกวงอุบาจะได้ตึงบนไม่กังเกงท่านท่านจึงต้องหนี แล้วอัลลอ์ก็ช่วยยกสรีระของท่านเนี่ยขึ้นไปยังฟากฟ้าแล้วจะลงมานน้นเป็นสัญญาอคเกียมาลงมาก่อนวันสิ้นโลกแล้วก็จะมามาปกคร้องมาฟื้นฟูศาสนาที่เที่ยงได้นั่นนะช่วงนั้นน่ก็คือชัยชานะของท่านดาบวบอุสซาอย่างที่ท่านดาบิอาที่บอกดบิอีสซาจะลงมาจะฆ่าสุกรฆ่าสุกรทำลายไม่กังเขน นี่คือการประกาศชัยชนะว่าสิ่งมุสาอุปโลกที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่การพยายามที่จะปกปิดความจริงของท่านอบดุอซาานี่มันก็จะย้อนกลับ ม, มาอีกเมื่อไรล่ะนู่นก่อนวันเกียร์มาแล้วคนที่รู้ข้อที่จริงนี่ก็ต้องทนในสิ่งที่มันกำลังเผยแพร่ถูกก็ต้องทนรู้ข้อที่จริงมันเป็นยังไงบางทีนี่เราเราเห็นนะนะคนคนจะต้อง ต้องต้งเจอกับชะตากรรมแห่งการพ่ายแพ้นี่ตลอดชีวิตเลยในชีวิตเนี่ยถูกกล่าวหาถูกกล่าวหาว่าเป็นโจรถูกกล่าวหาว่าเป็นคนเลวเป็นคนในสังคมทั้งหมดนี้ก็เชื่อเป็นก็เป็นคนเลวจนกว่าจะผ่านตาไปแล้วเนี่ยเป็นสิบปีเป็นร้อย ป, ปีเอาพบหลักฐานว่าไม่ใช่ไม่ใช่หลังจากที่เสียชีวิตไปแล้ว องค์ลลก็มีฮิกมาสนะครับพระองค์ก็มีเหตุผลที่จะให้เรื่องนี้มันล่าช้าไปถึงจุดนั้นก็ได้แต่ที่แน่นอนเราเทียบชีวิตโลกนี้กับชีวิตของโลกหน้านี่สารสารแค่ไหนในโลกนี้เนี่ยเตี้ยกันนังน่งนั้นน่ะสารในโลกนี้เนี่ยสารโฮโมโนเตี้ยนังน้งนั้นน่ะเทียบแล้วกับสารของพระเจ้า สารทุกสารทั่วโลกเนี่ยเทียบเลือกับสารของพระเจ้านะเตียยทั้งนั้นนะฉะนั้นก็จะตัดสินอะไรว่าใครเป็นใครเป็นอะไรนะต้องรอสารสางเกี่ยสารบางเกียมากนี่บิดเบือนหลักฐานไม่ได้ยื่นเอกสารเท็จไม่ได้ถึงจะเอาคลิปเจ้าอะไรนี่มารองรับนี่ข้อเท็จจริงนี่มันก็ต้องปรากฏบนเรานี่เวลารู้สึกออนแอระนะ แนะนาคํานี่อินนัลลอฮฺมานะอัลลอฮฺอัลลอฮ์ทรงอยู่กับเราแต่ต้องเป็นต้องเป็นคนที่ถูกต้องนะไม่ใช่ไปทำชาวบ้านเขาแล้วของเราอยู่กับเราต้องเป็นคนที่เออต้องมั่นใจในความถูกต้องนะถ้าไม่ถูกต้องนี่ก็ต้องต้องทำให้มันถูกต้องอัลลอจ์จึงจะอยู่กับเราเพราะอัลลอ์จะไม่อยู่กับความผิด เราไม่อย ah oh, ma ah al ู ah an, a, kh au, kh au ่กับความเท็จแต่เราผิดเท็จเนี่ยเราก็ต้องปรับให้มันถูกจึงจะมีความรู้สึกอัลลอฮ์อยู่กับเราเพราะนบีบอกกับตนเอาบักนี้ฟานซาลลอห์สกีนัตฮุอาไลฮีแล้วอัลลอฮ์ก็ทรงประทานลงมาแก่เขาเขานี่คือใครโดยจอธิบายซึ่งความสงบใจจากพระองค์สกีนตฮุอาไลฮีก็รัส่งแต่ขณะหนึ่งบอกว่าเอาความสงบนี้ให้แก่เขาเนี่ย ก็ต้งว่าให้ท่านนบีแต่ศาสนะที่มีน้ำหนักมากกว่าที่มามกุตบีเลยบากว่าให้ความสงบกับอวบักทำไมอ่ะเพราะอวบักเนี่ยที่มีความกังวลที่จริงเนี่ยไม่ได้กังวลไม่ได้กลัวว่าตัวเองน่ยคือกังวลว่าท่านนบีจะถูกทำร้ายไงและอวบักเนี่ยไม่มีคือไม่ได้ตัดสรูเหมือนท่านนบีไงไม่ได้ไม่ได้ตาทิพย์เหมือนท่านนบีไม่ได้รับว่าอยู่เหมือนท่านนบี ด้วยด้วยปัจจัยที่เขาเห็นนี่นะโอเราโดนแน่ถ้าเขามองนี่นะเขาเห็นแน่โดนนจับแน่กังวลแสดงว่าคนที่กังวลที่สุดในอุบัติคนที่ต้องการความสงบมากที่สุดคือใครแก่ อ, อุบัติอละมา ก, ก็เลยบอกว่าที่อัลลอฮ์บอกว่าอันเซลสกีนตัตต์อะเลยที่อัลลอฮให้ความสงบแก่เขาเขาตรงนี้เนี่ก็คืออุบักิมากกว่าต้องการมากกว่าและความสงบถ้ามากับมาจากอ AH ัลลอฮ์ سبحانه และก็ตา่ตาละ อยู่กับเบาวของพระองค์ตลอดไปเช่นเช่นถ้าอัลลอฮ์เลือกใครท่านนาบีให้เอาพวกนั้เป็นคนหนึ่งในสองคนนี่นะคือถ้าคนในสองนั้นนะสแสดงว่าสแสดงว่าไม่มีมนุษย์คนที่สามแล้วไงแนตะ่เนะ น, น, นื้อในนี่คนในสองคนแสดงว่าไม่มีคนที่สามลแล้วแล้วจะมีคนที่สามเนี่ยอัลลอฮ์คงอนุมัติให้คนที่สามเนี่ย ร่วมเดินทางกับโอูบักและท่านนาบีแต่เร า, าไม่ให้คนเดียวไปกับท่านนาบีและเรียกโอต้องเป็นอูบักแสดงว่าอับูบักจะต้องเป็นคนหนึ่งในสองคนในทุกกรณีทุกกรณีเลยนะเพราะปรากฏว่าพอท่านนาบีเสียชีวิตและอาหรับนี่ออกจากศาสนาระเนระนาดคนดีเยี่ยนยาดในเรื่องการต่อสู้แล้วก็เริ่ม เริ่มการต่อสู้ใหม่ครั้งการทันอบักสหายบาส่วนมากนี่ก็เกรงกลัวอูรับนี่เขาเขาออกจากศาสนาแล้วเราจะทํายังไงมีาา่ยวคนเดียวคนไม่ได้ออกศาสนานี่ก็ต้องต่อสู้ ต, ต้องเรียกเขาว่ามาปราบพรามแล้วตอนที่ทา น, น บ, บีเสียชีวิตเนี่ยสหาย์บานี่โอโ้ส่วนมากนี่ก็คือเอาสติไม่อยู่เลย ถึงขนาที่อุมรอับดุลขุตตาบนี่ยเขามาแจ้งว่านบีสหยุทบอกว่าไอ้พวกมุนาฟิกมุนาฟิกที่บอกว่านบีสยุนบีไม่ไดเสียนบีเนี่ยอัลอเดี๋ยวจะกลับมาเหมือนท่านนบีมูซามีเจออับบักอับบักบอกอุมร์นั่งลงพออุมมรเนี่ยเห็นอับบักเนหน้าตาเศร้าแล้วก็แตนักแน่นนะอตอบเนี่ยสุดเละคุกเขาเลย แล้วพวกสาบ้านก็โวยวายกันโอ้นี่เสียงดังยังไม่มีทางนบีตายได้ไงมีทางจะตายเราก็เลยกันเอัอายนีม์มม رسول ก็ถั่งลดมิ่ ل กบลีรุสุลอัฟอิมมาต์อวุ ل ิลันคาเลบุต ل ن ัลอบิมามันกาเนนบีเหมือนนบีทุกนบีทุกท่าถ้านบีเสียชีวิตนี่พวกเจ้านี่จะผิหลังให้ศาสนาการนั้นหรืออ้อีนี้คุรานแต่สบานนี่นึ่งจะ แต่ใครที่มีความสงบอุบากรเวลาเขาบอกว่าความสงบนี้ที่อัลลอฮ์ให้มันอยู่กับท่านตนเสียชีวิตี่จนตายและเป็นคนที่ช่วยเหลือสถานการณ์ทุกสถานการณ์เะไรเงี้ยอุบากรเพาความสงบความหนักแน่นก็แน่นอนผ่านขนาดนี้แล้วเนี่ยในถ้ำเนี่ยขนาดนี้แล้วแล้วก็เห็นอัลลอฮ์ช่วยเหลือขนาดไหนเนี่ยท่านก็ต้องต้องเชื่อในความช่วยเหลือของอัลลอย่างแน่นอนว่าอีเดหูบุญนูดอัลเลมตราวฮะ และในสวงสนับสนุนเขาสนับสนุนท่านนบีในด้วยบรรดาไพ่พลมีอุลมาก็มาอธิบายบอกว่าไพรพลนี่ก็คือนกพิราบแล้วก็แมงมุมคือเอาเรื่องที่มันไม่ใช่จริงในก็มาอธิบายอธิบายอะไรที่มันไม่ใช่เอาอธิบายอายานีโดยอายานีสูรอัลมุดดิษรุมาอัลลมูจูนูดะรับบิกะอิลลัฮูไม่มีใครรู้ไพ่พลของอัลลอฮ์นี่นอกจากอัลลอฮ์ ทหารของอัลลอฮ์นี ن. ن. ب ب قول, ่ยมีใครรู้หรอกมาในมาไม้ไหนมาแนวไหนนี่ไม่รู้อาจจะเป็นเรื่องเวลาและเวลากำหนดการอะไรต่อมาอะไรนี่ทั้งหมดเนี่ยเป็นทหารของอัลลอฮ์ผู้ให้ผลของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เราจะบอกว่าล่น teroha แต่นี่บอกว่าเล่ต t เรา h a พวกเราไม่เห็นซึ่งพวกเจ้าไม่เห็นพวกเขาก็คือผู้ให้ผลของอัลลอฮ์ในส่รนของคุณดัชนีบอกว่าว่าไม่ได้เล่น teroha พวกเราไม่มีใครรู้ ทหารของล l l a h นี่ยเป็นใครนอกจาก Allah แถวนั้นไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นก่อนนานนี้เนี่ยในสุรเดลัมฟาลที่ Allah เราเหตุการณ์สงคมบัติร์ว่ามาเลกาลงมาก็ไม่เห็นมากาก็เป็นส่วนหนึ่งของหารของ Allah ไอ้พลองที่ที่ Allah ส่งมาก็ไม่เห็นแมงมัแดงก็อาจจะเป็นทหารของ Allah นกก็อาจจะเป็นทหารขอเหมือนฮุดฮุดฮุด นกของท่านดบบสุลีมานที่ไปเอาข่าวของเบลกิสในทีเมนน่ะแล้วก็มาเรืองนี้ก็เป็นทหารของอัลลอฮ์ไม่มีไม่มีใครรู้ไม่มีไม่ไม่มีใครเห็นทหารของอัลลอฮ์ความเชื่อเนี้ยมันต้องพนวกกับความเชื่อว่าอินนัลลอฮ์มะนะคือถ้เราเชื่อว่าอัลลอฮ์อยู่กับเราเราก็ต้องรู้ว่าทหารของอัลลอฮ์นี่ก็อยู่กับเรา ตหานี่อาจจะเป็นความดักแน่นเป็นความอดทนเนี่ยก็จะเป็นทหารวังเป็นความสงบซึ่งอลุาลามะเขาเล่าเรื่องอะไรมากมายนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มันขับขันมากเนี่ยโดยที่ไม่มีใครช่วยได้เลยนอกจากอัลลอสุภานาหัวตาเรื่องนี้มีเยอะนะครับรแต่ผมขออนุญาตเลา่า ประสบการณ์ส่วนตัวมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์เราไม่ต้องละเอียดมากนะตอนนั้นไปฮ่องกงพวกเราก็รู้ ต, ตัวก่อนผมชอบไปเที่ยวฮ่องกงไปฮ่องกงแล้วก็ตอนนั้นแดดร้อนมากเลยไปฮ่องกงโอ้โหแดดร้อนมาก ม, มีอะไรจะกินด้วยทุกทรมานมากไอ้งจุดจุด ท, ที่เรา คือทนไม่ไหวทนไม่ไหวจริงๆเนี่ยนะจุดนั้นนะ่ะอยู่ดีๆเนี่ยรู้สึกทุกอย่างนี้มันร่วมเย็นไปหมดเลยแบบอธิบายแบบนี้เป็นครัง้งแที่ผมเล่าให้ใครฟังนะแต่มันเป็นสิ่งที่ผมเชื่อมามาตั้งแต่นั้นเลยเนี่ยว่าเออซึ่งตอนนั้นนะไปฮ่องกงนี่ก็ประมาณอยู่ประมาณเดือนหนึ่งนะแล้วคนที่อยู่คนที่เคยไปฮ่องกงนี่อยู่เป็นปีเป็นสิบปีล่ะ พอออกมาเขาไม่เชื่อกลับมาจากฮ่องกงกลับมาจากฮ่องกงนี่โอ้โหน้าตาสดชื่นสดใสเลยเฮ้ยเอ็งไปอยู่ไหนไปอยู่ไปอยู่ห้องเสริมสวยเหรอเนี่ยกลับมาแบบสดใสนี่ชื่อดอกชื่นใจกลับมาทํางานศาสนาเหมือนเดิมแข็งแกร่งเหมือนเดิมไมแยูวอยู่ได้ไงอน่ยสิบปีสิบกว่าปีเนี่ยโดนทุกอย่างเลยคนที่คนที่ อัลลอฮ์ถูกทดสอบแล้วก็แล้วแล้วเราไม่ลืมอัลลอฮ์นี่นะอันนีนะ้เราต้องมีคืออัลลอฮ์ต้องส่งสัญญาณอะไรสักอย่างหนึ่งให้เราได้อดทนต่อคือถ้าเราไม่อดทนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราโง่แล้วเราเราใช้ไม่ได้แล้วเป็นบางสิ่งบางอย่างที่มันมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักฐานที่ประจักษ์มากกว่าความเด็ดร้อนที่เรากําลังประสบ ก็เป็นทหารของอัลลอฮ์อย่างหนงึ่งซึ่งอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะไม่ส่งทหารให้พนของพระองค์อะไรก็ได้กับใครก็ได้นะอัลลอฮ์ก็อัลล์ก็ต้องเลือกเราก็ต้องต้องต้องเลือกในสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสำหรับบางคนพี่น้องอ่านเรื่องของของเด็กที่ท่านนาบีเล่าเรื่องของเด็กที่ท้าทายกษัตริย์ ให้ฆ่าเขาแล้วก็กษัตริย์ก็ฆ่าเขาไม่ได้ส่งคนไปโยนทะเลก็ไอคนที่ส่งไปเนี่ยก็จมไปหมดเด็กนี่ก็รอดแทนที่จะหนีนะไม่หนีเนี่ยไปหากษัตริย์อีกส่งให้ขึ้นไปยอดเขาแล้วก็ทิ้งคนที่ส่งไปเนี่ยตกกันหมดเลยไอเด็กไม่ตกก็เดินไปหากษัตริย์อีกทีหนึ่งท้าทายเขาเด็กบอกว่าอยากจะฆ่าฉันไหมอยากฆ่าจริงๆอยากฆ่าเหลือเกินเราก็เรียกผู้คนทั้งหลายนี่เขาเห็นน่ะ ตอนท่านฆ่าฉันเนี่ยเขจะเห็นทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วเวลาจะเอาธนูเนี่ยยิงฉั น, นเนี่ยแค่ก ล, ล่าววิสมินแล้วยรมเบลด้วยพระนามของพระเจ้าของเด็กให้คนได้ยินทั้งหมดเนี่ยและท่านสามารถฆ่าฉันได้เด็กมันมีความสุขตรงไห น, นที่จะแนะนําให้คนประสบความสําเร็จในการฆ่าเขาและฆ่าจริงด้วยนะเพราะ ยิงธนูแล้วก็เกา่าคํานี้เนี่ยบิสมิลลาฮ์รับบิลกล่าวมันก็ธนูมันก็ทะลุแล้วก็เสียชีวิตจริงแต่ผลที่ตามมานี่ยเขาอ้า آ آ งตัวเป็นพระเจ้าเขาเชิญชวนให้คนเนี่ยบูชาพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์นี่ชาวบ้านทั้งหมดเนี่ยศรัทธากันทั้งเมืองเลยตอนหล่อ AH. แล้วไม่ศรัทธาชนิดที่แบบว่าเออไอเด็กนี่มันแก๋กว่านี่มันขังกว่า มันเหนือกว่าไม่ใช่พรชาวเมืองนิสตานี่จุดไฟแล้วก็เผาเลยใครที่ไม่ยอมใครที่ศรัทธาในพระเจ้าของเด็กนี่นะี่ะทิ้งไฟเลยเนี่ยคุณยอมยอมโดนเผาอ่ะไอศรัทธาชนิดไหนเนี่ยแค่แค่เห็นเด็กถูกฆ่านี่พอกาบบิสมิลลาฮิรับบิลกลนนี่ไม่ธรรมดานะแสะดงว่าเด็กรู้ว่าแค่อันนี้เนี่ยแล้วก็ชาวเมืองสนสตาคุ้มไหมล่ะุ้ม แสดงว่าเด็กไม่ได้เห็นชัยชนะในการที่จะเข้าจะต้องมีชีวิตแล้วก็ในสายตาของมนุษย์เนี่ยเอาชนะกษัตริย์แล้วก็อยู่เหนือกษัตริย์ได้ไหมเขายอมที่จะแพ้ถูกฆ่านะยอมที่จะถูกฆ่าเพื่อให้คนอื่นได้หูตาสว่างแล้วก็ศรัทธานี่คือและเขาก็ไม่ได้มาเจอว่าจะเหนือาานกษัตริย์นะก็โดนเผาเหมือนกันนั่งเมงิอกูที่ละอัศวบุลอุดดูนี้ สูตรเดบรูจเนี่ยเาเรื่องนี้หลย ا ل ่ ا ر ذات الوقود إذوم عليه قو وما نقم منهم إلا أئيمنه ไม่มีอะไรที่เขจะทำหนีชาวบ้านชาเมืองนอกจากว่าเขาสะท้านเนี่ยอัลลอฮฺสะท้าแค่เห็นเด็กถูกฆ่าเนี่ยเขาก็ะสัท้าแล้วแสดงว่าแผนที่เด็กวางไว้เนี่ยเขาเห็นว่ามันคุ้มแล้วให้เข้าคนนึงเนี่ยเสียชีวิตถ้าจะเอาแบบนักวิเคราะห์นักยุทธศาสตร์นี่บอกว่าล้มแล้ว ตัวเองก็ตายแล้วก็พาชาวบ้านไปโดนเผาอีกนี่พวกยุทธศาสตร์นักยุทธศาสตร์สายตาของชาวบ้านนี่เรื่องพ่ยแพ้นี่อย่าไปฟังก็เลยใช่ชนะแพ้นี่มันสําหรับอัลลอฮ์นี่คนละมาตรฐานสําหรับผู้สถา น, นี่ก็ผู้สถานนี่ก็คนละมาตรฐานคิดสั้นเหมือนพวกเขานี่โอ้เราไม่ต้องทําอะไรเลยลกนี่ไปไหน เฮ้ยละหมาดไม่ได้เขาไม่เอ็งละหมาดครับมันละหมาดรวมไปเลยเนี่ซีวัคตูไปเลยเขาไม่คุมมียาเขาไม่อยคุมมียามยานันไปทํางานไปอุ่นคุมแล้วกันแล้วก็ที่อื่นก็คุ้มได้กับคุ้มไปไม่ต้องทําอะไรเลยถ้ า, าว่าเราเราเข้าใจว่าเราอยากจะทําสิ่งที่เราต้องการนี่คือชัยชนะแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรดอกเบีก้ก็กินได้ น, ะนี่ที่กําลังมานี่ยชุด ชุดเสรีทั้งหลายนี่ยอมไปเยอะทำไมมาเป็นภักดีแม้เป็นภักดีนี่ก็ยอมก็เยอะเขาไม่ได้บังคับเรา น, นี่มันจะเป็นวลีเด็บนั่น น, นี่เขาไม่ได้บังคับเราให้ให้เขาทำไป อ, อันนี้เป็นเรื่องของเขาใช่แต่เขาขาต้องการให้เรายอมรับเขาไม่ได้บังคับให้เราทาแต่ต้องยอมรับพอถึงกิจกรรมนี่ คงริมโบ้หนิเดี๋ยวมุสลิมก็ต้องยกต้องใส่เสื้อริมโบ้แล้วก็ไปฉลองด้วยกันน่ะเาก็ไม่ได้บังคับให้ทาแต่บังคับว่าต้องยอมรับมามาก็เป็นชุดใช่ฉะนี้นสรุปแล้วในไทยอาญาเนี่ยว่าจะเอาคำว่าที่นักคําของผู้ที่ปฏิสธ์ศรัทธาอยู่ในระดับต่าสุด และพะุทธานาฏของอัลลอ์นั้นคือพุทธะนาฏที่สูงสุดและอัลลอ์คือผู้ทรงดีชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณสรุปแล้วชัยชนะคือการที่เรายีเหนียดในความถูกต้องประกาศความถูกต้องเมื่อประกาศความถูกต้องที่ไหนเมือ่อใดนั่นคือชัยชนะนั่นคือชัยชนะ คนอื่นจะมีอํานาจเหนือกว่าจะมีพลังจะมีสถานะเหนือกว่านี้อันนั้นไม่ใช่สาระสาระสําคัญว่าเราพูดเราทําในสิ่งที่ถูกต้องเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องเขาไม่สามารถที่จะบังคับเราได้บังคับร่างกายบังคับคําพูดว่าจะแต่หัวใจนี่บังคับไม่ได้แต่ในกรณีที่เราจะต้อง ต่อสู้เพื่อไม่ยอมไม่ยอมให้เราให้ร่างกายให้ลิ้นเราถูกบังคับถ้าเราสู้ได้เราก็ต้องสู้เราก็ต้องสู้ชีวิตในโลกนี้มันไม่มีรสชาติไม่มีความหมายเลยถ้าเราใช้ชีวิตตามความต้องการของชาวบ้านชาวบ้านเขาต้องการยังไงชาวบ้านเขาต้องการให้เราหู ป, ปากไม่พูดความจริง ไม่พูดความถูกต้องชาวบ้านต้องการให้เราบิดเบือนมาตรฐานชีวิตอะไรที่มันถูกให้เชื่อว่ามันผิดอะไรที่มันผิดต้องเชื่อว่ามันถูกนี่ที่กำลังให้สิ่งที่มันบาปให้มันถูกกฎหมายมันก็เหมือนกันแหละสิ่งที่เราเชื่อว่ามันบาปมันถูกมันทำไม่ได้เนี่ยมันจะถูกเชื่อในสังคมว่ามันมัน มผิดมันทำได้เราจะถูกยกย่องด้วยแล้วก็ทีเลน่นนี้ทีเลน่นนอยนี้มันก็จะกลายเป็นกระแสเป็นแฟชั่นในสังคมต่อก่อนนู่นนะ่ะเอาย้อนหลังไปสักร้อยปีนะถ้าบอกคนไทยนี่เอาลูกสาวนี่แก่ผ้าแล้วก็มาเดินเดินต่อหน้าชาวบ้านเขาจะได้ให้รางวัลเป็นนางแบบเอาไหม ใครจะเอาล่ะแบบนี้ก็คือไม่มีศักดิ์ศรีเลยแต่เดี๋วนี้ล่ะโอ้ใครๆก็อยากโอภูมิใจเลยะถ้าลูกสาวเนี่ยเป็นเป็นนางงามนางงามจักรวาลโอภูมิใจที่สุดแล้วสถาน ก, การณ์มันมันถูกบิดจนกระทั่งเรื่องที่น่าอับอายเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจนั่นคือสิ่งที่เขาวางแผนไว้ ขอร้องสุภานักบวชละคุคมครองพวกเราและพี่น้องและพี่น้องทุกท่านนะครับให้พ้นจากแผนอุบายของคนที่ไม่หวังดีกับอิสลามนะครับพี่น้องมีคำถามไหมสซนิอัสนัยนี่ก็หมายถึงว่าโดยที่เขาเป็นคนในสองคนที่สองในสองคนอันนี้นะ เป็นคนที่สองในสองคนมันก็คือสำนวนที่แปลมาแหะถ้าสำนวนในภาษาอับดุ่ก็เป็นที่เข้าใจกันเขาก็ต้องแปลตามสำนวนนะ่นนะก็หมายถึงว่าอูบัคกัเป็นคนบุคคลที่สองในจํานวนสองคนคือท่านนาบีกับอูบัคอันนี้เป็นสำนวนในภาษาอับดับถ้าจะนับแล้วก็เน้นเน้นถึงจํานวน เ, เขาจะมีเขาจะมีสำนวนที่จะเน้นว่ามีแค่นี้ซานีนายนัสนัยซาุล บุคคลที่2ในจํานวนสองคนก็คือมีแค่สองเป็นการยืนยันว่ามีแค่สองซลิสูตแลาซะก็บุคคลที่สมในสาคนก็คือมีแค่สแต่บางทีนีมีอีกสํานวนหนึ่งแซลสิสเนินบุคคลที่สในจํานวนสองคนอันนี้อันนี้เป็นการบอกว่าวมีเพิ่มไปอีกหนึ่งคนแต่สํานวนแซนีสเนินนี้ก็คือมีแค่สองนี่แหละก็คืออูบักรเป็นคนที่สองในจํานวนสองคนคืออูบัก แก็ท่านนาบีเอาว่าเป็นคนที่สองแค่นั้นนะครับเป็นการยืนยันจะอธิบายอย่างอื่นก็ต้องอธิบายแบบนี้แหละครับเพราะสำนวนบางสำนวนที่เป็นก็จะเป็นร่างสำนวนนะ่ยมันเหมือนเป็นวลีในในภาษานะจะจะแปลตามศัพท์เนี่ยก็ต้องแปลตามคําต่อคำเหมืนเนี่ยแปลคําต่อคําอย่างที่ผมบอกกันนะความหมายคุตตาอ่านส่วนมากนี่คือคําต่อคําเขาไม่ได้แปลแบบเนื้อหา พแต่แปเนหานีเป็นเป็นการมันเป็นการอะไรกันเลยอธิบายยาวหน่อยอ่ก็ในในความหมายกุทอ่านบางเล่มเนี่ยเขาก็อธิบายยาวกว่านี้หน่อยให้ให้คนเข้าใจในอต่นี้ก็มีน ม, ม, มีฟุทนุษนะอ่ะนะข้างล่างก็พอที่จะอธิบายได้นะครับสู้รูส้สู้ส้รูตัวสานะสรูรอ่าพวกเราเรียกพวกเราก็จะเรียกง่ายสูรซสูร เล็กซาอร้าอูร์ก็คือกระทิงซาอรเนี่ยหมายว่ากระทิงนะแล้ถ้ำนี้ก็ต่างจากถ้าที่ท่านนบีรับวายูเนี่ยนี่อยู่ตอนเหนือเอ่อกราิระมีหิระแล้วก็ซาอรอ่าพวกเราเวลาไปมักกะเนี่ยก็ก็ก็มีพาไปทัศนศึกษา จริงๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นพิธีอะไรว่าจะไปมา ก, การ์นี่ต้องไปไปสองถ้ำแต่เวลาไปกับพวกเราอยู่บางนก็บอกว่าไม่ต้องขึ้นล็อกเมื่อคืนห น, หนึ่งหนึ่งมันไม่ได้เป็นพิธีมันไม่ได้เป็นพิธีกรรมมันไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการทำพระราชบรมราชาธว่าต้องต้องมาที่ถ้ำบางคนอยู่ไม่ได้ต้องขึ้นขึ้นอย่างเง่งเง่งก็เศริ่มเศรุเริ่มหิรานี่ถ้ำหิรานี่ เป็นกิโลนะขึ้นเป็นชั่วโมงเลยนะบางคนในยองเป็นลมเลยอะแต่ต้องขึ้นคือกลับบ้านแล้วก็ไม่มีเรื่องริมไม่มีสตอรี่นี่เนี่ยไปเล่าแล้วก็ขึ้นเฟซเนี่ยไม่ซ้มอมต้องเห็นหภาพเยอะแยนะเลยเนี่ยที่เขาขึ้นไปนี่ยแล้วก็ถ่ายเซลฟี่อะไรนี่อันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องสําคัญมากแต่มันไม่ใช่ไงยิ่งคนที่เชื่อว่าต้องไปแล้วก็ต้องไปละหมาดทุกหนแม้ที่มีภาพคุณละหมาดมีอะไร อันนั้นไม่มีเลยไม่ได้เลยเป็นไปไานเลยแหละทำไม่ทำไม่ทไม่ได้เพราะเท่ากับให้ความสำคัญกับสถานที่ที่ศาสนาบอกว่าไม่สำคัญคนอย่างซอฮาบะเนี่ยเอาแค่อุบักิรีนะถ้าถ้าจะถามว่าอะไรที่เออน่ารำลึกมากที่สุดเนี่ยก็คือสถานที่ที่ท่านถูกยกย่องมากที่สุดเนี่ยก็คือทำเนี้ยเอาวไม่คิดบ้างเหรอว่า นบีเสียชีวิตแล้วเนี่ยหรือตอนที่นบีมีชีวิตเ น, นี่ยเออหนุ่มก็ไปดำลึกหน่อยไปดูไปนั่นหน่อยไปไม่มีส้มีิเตไม่มีใครแม้แต่ตัวท่านในบีเองก็ไม่เคย ค, ยคิดที่จะกลับไปฟื้นฟูความทรงจำคาร์เซอรรือเฮโร่เนี่ยหรือสั่งสอนซ า, าบบอกว่าว่างๆกับใบบังหน้าอะไรอย่างนะะงี้นะลครับมา ด, ดีน่ก็วังก็ดอกกอนุนเยอะนะมาดีน่านี่ทศนะเนีโอ้โหหลายที่ จนบางที่นี่พอมันไม่อยู่แล้วไม่มีแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะไปทําอะไรอ่ะไปแล้วก็เจอแตะตึกเจอคานอะไรเงี้ยบางทีแทรกกับไปไม่รู้จะไปอธิบายยังไงอ๋อตรงนี้เนี่ยเคยมีสนามเพาะอยูไ่ไหนสนามมันไม่มีอะไรเหลือแล้วพอ ม, มีที่หนึ่งก็เลยเกิดเจ็ดมัสิดคือตอก่อนนู้นน่ยมันเป็นบ้านของซาฮาบะแล้วคนรุ่นหลังนี่ก็อยากจะอยากจะให้คนรุ่นหลังนี่รู้ว่าที่คนรุ่นนี่มีมีบ้านซาฮาบะนี่เขาก็เลยสร้างมัสิดตําแหน่ง บ้านของซาฮาบ้าแต่ละแต่ละคนเนี่ยก็มีเจ็ดมัสยิดเขาก็เลยเรียกว่าเนี่ยว่าว่าพื้นที่เจ็ดมัสยิดเป็นที่ที่คนไปมาดินาต้องไปเยี่ยมแต่เจ็ดมัสยิดนี่ถูกรื้อไปหมดแล้วแต่ก็ยังยังยังต้องไปพอไปนี่ก็กระไรตะชีนึงเจเจ็ดมัสยิดอยู่ตรงไหนตรงน่ตรงโน่นตน่แล้วตรงตรงม่มีอะไนะมีแต่บ้านนคาสต์มีอพาร์ตเมนต์มีอะไรอันนี้เป็นเรื่องที่มันเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละเรื่อง เอออะไรโบราณสถานนะนะโบราณสถานหลศาสนานีเราไม่มีความเชื่อนะเออจะไปทศนัศึกษาีนไปดูจะได้เล่าเรื่องพรนพได้แต่ไปเยือนในฐานะที่เป็นศาสนสถานที่มีความประเสริฐมีคาสังสอนนี่อันนี้ไม่ได้ทาไม่ได้อัสสลลลอฮุอะลัยบีนามุฮัมมัดอะลฮิซบลัมสลามุอะลัยกุมราะห์มุลล